อาจารย์ครับการนมัสการครับผมญาลอนพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้านะครับพระอาจารย์ครับเมื่อเช้าพระอาจารย์วินท บ, บาทคนไปใส่บาตรเยอะไหมครับพระอาจารย์วันนี้เกินห้าร้อยประมาณห้าร้อยสิบสองคนอ้วันนี้ประวันวั น, วนหวยอรอใช่ใช่ใชครับหลาย ออกเล imana, ็ขรดผมด้วยครับอาจารย์มาเห็นตอนออกอะเก่งข mm ึ้นน่าตอนออกเลยครับแล้วที่น evet ่ากุฏิพระอาจารย์คนเยอะไหมครับอันนี้ก็เกือบสองร้อยคนน้องประสองร้อยแล้วรวมกันก็รวมกันทั้งหมดเก้าร้อยกว่าครับตอนนี้รับฟังอยู่ด้วยกันเก้าร้อยประมาณแปดร้อยกว่าคนเหมือนกันครับะอาจารย์ครับ อาจารย์ครับวันนี้เมื่อเมื่อคืนนี้ผมถามลูกสาวครับบอกว่าอยากฟังธรรมะเรื่องอะไรครับลูกสาววัยรุ่นเขาก็เลยบอกว่าอยากฟังเรื่องว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์จริงไหมครับอาจารย์วันนี้ก็เลยกระดับขอปัญญาจากพระอาจารย์ครับผมก็เวลาเรารักอะไรเราก็มักจะห่วงจะห่วงความรักอความโวงก็เป็นความทุกข์อย่างความโวงก็เป็นความทุกข์อย่างเพราะเกิดความอยากความอยาก อยากให้สิ่งที่เรารักเครบ่องลที่เรารักนั้นอยู่กับเราเป็นของเราไปเรื่อยๆให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆแต่เราอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนคืออ น, นิจจังอนัตตาก็คือเราควบคุมบางครับเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้บุคคลต่างๆไม่ได้มันก็เลยทำให้เรามีความวิตกกังวลอยู่เรื่อยๆว่าสิ่งที่เรารักนั้นจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆหรือเปล่า ให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆเปล่าอันนี้แหละคือโทษคนมักจะมองไม่เห็นกันเห็นแต่เห็นแต่คุนว่าเวลามีความนักก็มีความสุขใช่ช่วงที่มันมีความสุขมันก็มันก็เป็นช่วงของมันมันเป็นโลกธรรมนะอย่างนั้ลายนสรเสริญสุขเนี่ยสุขจากบุคคล น, นั่นบุคคล น, นี้สุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็สุขสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลธรรมชาตนี้ ซึ่งมันก็เป็นอนิจจังอนัตตามีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาเป็นจรานมีเสื่อมเป็นธรรมดาเวลาสิ่งที่เรารักเสื่อมไปเปลี่ยนไปหรือจากเราไปเราก็เลยต้องเจอกับความทุกข์ตามมาแล้วมันทุกข์ตั้งแต่ยังไม่เปลี่ยนยังไม่จากกันนะอยู่ด้วยกันก็คอยวิตกกังวลอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้พบปหน้ากันตามเวลาปกติก็เราตกใจแล้วเอ๊ะเป็นอะไรไปหรือเปล่า แต่คนที่เราไม่รักนี่เราไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยใช่ไหม ค, คนที่เราไม่มีความรักกับเขาเลยเขาจะเป็นอะไรเขาจะเป็นจะตาย้วไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้พิ่งพาใส่เขาให้ความสุขกับเราแต่คนที่เรารักนี่เราต้องมาใส่เขาให้ความสุขกับเราเราถึงรักเขาวิธีที่จะทำให้เราไม่ทุกข์ก็คืออย่าไปรักอย่าไปชอบหรอย่าไปชังความชังก็เป็นความทุกข์อีกแบบหนึง่ง เวลาเจอสิ่งที่เราไม่ชอบเจอบุคคลที่เราไม่ชอบเราก็ทุกข์เกิดขึ้นแล้วฉะนั้นทำศาสานาสอนให้เรามาฝึกสตินั่งสมาธิทําใจให้สงบให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาเพราะเมื่อมีอุเบกขาแล้วใจจะปราศ จ, จากความรักชั่งกลัวหลงไม่รักไม่ชั่งไม่กลัไม่หลงใครจะเป็นอะไรจะเป็นจะตายก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เดือดร้อนแม้แต่ร่างกายของเราที่เรารักก็เหมือนกัน ถ้ารามีอเบกขาแล้วใจเราจะไม่ได้มีความรักร่างกายเราเหมือนแต่ ก, ก่อนยังมีความดูแลรักไปชอบมันอยู่แต่ไม่เป็นรักมันจะรัางกิดความกลัวขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะรู้ด้วยปัญญาว่ามันก็เป็นของไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็มีดับไปเป็นธรรมดากาจะทําทใจได้นีน่ต้องมีอุเบกขาต้องมีสมาธิ สมาธิใ น, นระดับฌานสี่นะฌานสีก็จะมีอุเบกขาเป็นอารมณ์คนที่มีฌานสี่แล้วก็จะไม่ค่อยทุกข์กับอะไรเฉยๆยิ่งถ้ามีปัญญามาประกอบด้วยยิงไม่มีทุกข์เลยไม่เห็นว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ถ้าเราไปยึดไปติดไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็จะทําทให้เราทุกข์ได้ นิรันดรคือป้องมายของการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจเราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงด้วยสมาธิและด้วยปัญญาถ้าจิตไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงด้วยปัญญาจิตก็จะเป็นนิพพานขึ้นมาจิตได้ละความอยากทั้งหลายทั้งปวงเพราะเหตุที่ทำให้เกิดความอยากก็คือความรักความชอบและความชังนี้ ความกลัวและความหลงยังต้องปฏิบัติทั้งสองส่วนถ้าอยากจะให้จิตเรานี้ไม่ทุกข์กับอะไรเลยก็ต้องปฏิบัติสติสมาธิเพื่อให้ได้อุบเบกขาแล้วก็ดำรนินปัญญาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจทุกขังอนันตตาเราไปหวังเพื่อเขาไม่ได้หวังว่าเขาให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้เพราะเขาไม่ที่เป็นสิ่งที่ไม่ทเที่ยงแท้แน่นอน มีการมีเสื่อมมีการไม่ดับมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามเหตุตามปัจจัยที่ไม่มีใครควบคุมบังคับได้อันนี้ก็คือทำไมาเราต้องมาฝึกสตินั่งสมาธิกันเพราใจเรามีอยู่เบกขาให้เราไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปรักอย่าไปชังกับอะไร วมันจะทำให้เราทุกข์อาจารย์ครับบางคนบอกว่าพอไม่รักใครก็เหมือนกับขาดความเมตตาไปผมก็เลยอยากกลับไปถามอาจารย์ว่าแล้วความรักกับความเมตตาเหมือนกันไหมครับอาจารย์คล้ายๆกันความรักในที่นี้หมายถึงว่ายึดครอมาเป็นสมบัติของเราอาศัยเขาให้ความสุขกับเราถึงรักเขาแในความเมตตานี่หมายถึงการให้มีสัมพันธ์สมัยตีที่ดีกับ บทั้งสัตว์ทั้งบุคคลคือไม่เบียดเบียนกันไม่สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้เวลามีความโกรธกันก็ให้อภัยกันเวลามีอะไรแบ่งปันกันได้แบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นได้ก็แบ่งปันกันไปอันนี้คือความเมตตาคนละอย่างกันพระพุทธเจ้าไม่มีรักชังโกรธหลงแต่ท่านมีเมตตาเต็มเปี่ยนในหัวใจท่านมี ความเมตตาต่อสัตว์โลกโบแสดงธรรมโบสัตว์โลกอยู่ถึง45ปีด้วยกันเพราะความเมตตาของพระพุทธเจ้าอยากให้พวกเราหลุดพ้นจากความทุกข์กันคนรู้เรื่องกันก็มีคนถามมาตอบอกว่าแล้วถ้าจะรักจะรักยังไงให้ไม่ทุกข์ได้ไหมครับ รักเลยไม่ถือว่าเขาเป็นของเราเนี่ยแล้วก็ไม่หวังว่าใ้ไม่หวังอยากจะเอาเอาความสุขจากเขาครับถ้าไปหวังจะต้องการสิ่งได้จากมันอยากเขามันจะทุกข์เพราะเวลาอยากแล้วไม่ได้นำใจอยากมันจะทุกข์ส่วนอย่างเรารักใครเราหเรามันจะได้ความสุขจากสิ่งที่เรารักใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่เรารักเนี่ย ม, มันมันเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แ น, น่นอนนะป่ะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แ น, น่นอน วันนี้เขาอาจจะรักเราพวุ น, นี้าาก็อาจจะเบื่อเราก็นด้แล้วเราจะทำยังไง ม, มีหลายคนถามเรื่องความลักมาแต่เดี๋ยวค่อยๆถามพระอาจารย์นะครับมีคุณหนุ่มน้อยครับบอกว่าเขาดูอยู่จากต่างประเทศระดับความรู้หลวงตาครับผมจะดูต่างประเทศระดับความรู้บ้านเมืองครับแต่จิตต้องฟังธรรมาก่อน คอยมาดูครับอย่างนี้เรียกว่าสติหรือเปล่าครับการฟังธรรมก็เป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะเวลาฟังธรรมเราก็ต้องมีสติอยู่ก่าการฟังธรรมจะเรียกว่าเป็นการเจริญสติเจริญปัญญาก็ได้เพราะการฟังธรรมจะทำให้เราได้รับความรู้ที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนหรือความรู้ที่เราเคย ได้ยินได้ฟังมาแล้วเราอาจจะเ ก, กิดความเข้าใจดีขึ้นตามลําดับเราจะทําให้จิตเราสงบนจิตสงบเพราะจิตเราไม่ไปคิดฟุ้งซ่านถึงเรื่องอะไรต่างๆเพราะฟังเสียงธรรมทำให้มมเป็นของเย็นของกล่อมใจก็เลยทําให้ใจเย็นใจสงบใจมีสติแล้ค่อยไปดูทางโลกต่อพอไปดูทางโลกเดี๋ยวใจก็วุ่นขึ้นมาทันทีเพราะเรื่องของทางโลกเป็นเรื่องของรอบรอ บ, บกุฎหลง เ, เรื่องางโลกมันจะกระต้นความโลภความโกรธความหลงในใจร้ายเกิดขึ้นถ้าดูโดยดูด้วยอารมณ์ถ้าดูด้ว ย, ว ย, วยสติด้วยปัญญาก็ต้องดูด้วยโอเบกคาดูแล้ววางเฉยมีคนบอกว่ารักเป็นก็จะไม่ทุกข์ทำยากแต่ทําแล้วสุขอย่างนี้จริงไหมครับอาจารย์ครับก็ <c oughs> รู้ว่าไม่เทียงกันแลรู้ว่าเป็นของเชื่อคราว พอมันจบคนรู้ว่าจบมันก็ไม่ทุกคนบางคนไม่รู้ไม่ทันเลยที่มันจะเป็นจะให้ความสุขไปตลอดแต่คนที่เคยประสบะการณมาแล้วเคยทุกมาแล้วอาจจะอาจจะมีมีภูมิคุ้มกันเหมือนได้ฉีดวัคซีนตั้งต่อไปรักก็รักแบบระมัดระวังรักแบบไม่หลงรักแบบว่ารู้ว่ามันมีโอกาสที่จะจบลงได้ทุกเมื่อทุกเวลาถ้ารักแบบนี้มันก็จะ ไม่ทุกเท่าไหร่แต่ก็ยังทุกอยู่เพราะพอมันสูญเสียสิ่งที่เรารักเราชอบไปสูญเสียความสุขไปมันต้องอยู่คนเดียวมันก็เหงาอยู่ดีเลยมันก็ยังทุกจากความเหงาอยู่คุณหนุ่มน้อยบอกว่าผมคอมเมนต์ชื่นชมนักร้องผู้หญิงแต่น้องตอบขอบคุณให้เราครับวันต่อมาผมชื่นชมน้องร้องเพลงพอะมากตอนหลังน้องไม่ตอบให้เราเลยแต่เขาตอบคนอื่น เขาไม่ตอบให้เราเรียกว่าเห็นแก่ตัวไหมครับไม่ราบว่าเหตุเหตุอันใที่เขาไม่ตอบก็อาจะเห็นว่าไม่จำเป็นจะต้องตอบเขาก็ไม่ตอบก็ได้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเห็นแก่ตัวหรือไม่เห็นแก่ตัวเพราะว่าเขาก็ตอบมาให้เราครั้งนึ่งแล้วเราจะให้เขาตอบกันทุกครั้งเชียวเลยเขาตอบมาก็เพราะเขามีมารยาท ด, ดีเขาก็ตอบตาตามมารยาท เขาไม่มีหน้าที่ที่เราจะต้องมาตอบตอบตอบเราทุกครั้งที่เราถามเข้าไปมีความทุกข์มากเลยครับสามีเพิ่งจะเสียชีวิตครับน่าจะสูญเสียสิ่งที่รักเลยแต่ถ้าเกลียดสามีนี่ก็ไม่ไ ม, ไ, มไม่ทุกข์ใช่เีหยถ้าเกิดอยู่ด้วยกันแล้ไม่แต่ความทุกข์พอสามีจากไปนี่รับประกันน่าไม่ทุกข์เลยไม่้อง่ายเลยกับดีใจจะกลับจะฉลองสิ มันเป็นอิสระแล้วหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วใครบาศเสร็จแล้วอุทิศบุญให้ผู้ร่วงรับแล้วต้องอุทิศให้สัตว์ทั้งหลายด้วยไหมครับแล้วแต่เราเราจะอุทิศให้กับใครก็ได้แต่ถ้าอุทิศมากบุญมันก็ต้องแบ่งกันนะถ้าอุทิศให้คนเดียวคนเดียวก็ได้รับหมดเลยถ้าอุทิศให้พันสัตว์ประสา์เป็นล้านยิ่งก็แบ่งกันไปคนละเสี้ยวคนละ การปล่อยไม่ยึดติดจะไม่ทุกข์ใช่ไหมครับนั่นน่ะคือปล่อยวางก็เป็นอุเบกขั้ไงวางเฉยไม่ยินดีน า, นากับสิ่งต่างๆถ้าเรา ม, มีความยินดีนะเวลาเข้าไปเราก็ไม่ทุกข์เวลาเข้ามาเราก็ไม่ทุกข์มีรักแต่ว่ารักการปฏิบัติธรรมรักที่จะพ้นทุกข์อย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์ไอ้นนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของความรักมันเรื่องความยินดี ฉันทะความยินดีในธรรมไงรถแทงความมีในธรรมจะนำไปสู่การได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะนดทั้งปวงคือรถของวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองสามีเพิ่งจะเสียไปได้ห้าเดือนครับมีความทุกข์มากยังทำใจไม่ได้เลยครับควรจะทำอย่างไรครับก็ตั้งสตินะแล้วก็ พูดกับตัวเองว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมามันผ่านไปแล้วทำยังไงเขาก็ไม่มีวันที่จะกลับมาแล้วไปเศร้าโศกเสียใจมันก็ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์อะไรจะสร้างความทุกข์ให้กับเราแต่ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะพิจารณาด้วยปัญญา mm hmm. ก็หยุดคิดถึงเขาเสียเวลาที่นึกถึงเขาก็ใช้คำรล่รรมพุโทโธพุโทโธต้านหยุดหยุดความคิดถึงเขาไป พอเราหยุดคิดแล้วความเศร้าโสกเสียใจก็จะหายไปแล้วต่อไปพอเรามีสติพอที่จะใช้ปัญญาก็สอนใจว่ามันเป็นมันเป็นอดีตไปแล้วมันผ่านไปแล้วมคิดถึงมันก็จะทำให้เราเศร้าไม่เกิดประโยชน์อะไรมีสามีเสียชีวิตจากมะเร็งตับไปสองเดือนก็ยังดิ่งอยู่ครับเป็นหลายคนเลยครับ ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไม่ได้คิดไม่รงหน้าก่อนไม่มีปัญญาพิจารณาว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราววันใดวันหนึ่งก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงงานเลี้ยงย่ยมมีวันสิ้นสุดนะเห็นได้ชีวิตของเราก็แบบนั้นถ้าเราสอนใจไว้เรื่อยๆเตรียมตัวไว้เรื่อยๆอย่างพระพุทธเจ้าที่สอนให้ชาวพุทธเราได้ถึงความแก่ความเจ็บความตายการพัดพกากันว่าเป็นเรื่องธรรมดา ลงพ้นความพัดภากจากกันไปไม่ได้ถ้าเราท่องคาถาที่ไว้ทุกวันทุกวันมันก็จะมีอะไรคอยเตือนใจเราไม่ให้ยึดไม่ให้ติดพอไม่ยึดไม่ติดเวลามีการพัดภากจากกันเราก็จะไม่เศร้าเราก็จะไม่ทุกข์อยากถามพระอาจารย์นอนกลางคืนแต่จิตไม่หลับควรทําอย่างไรดีครับจิตไม่หลับเพราะจิตไม่สงบไง ไม่มีสติเขาฝึกสติบริกรร ม, ado, ม, มพุทโธพุทโธไปหรือดูลมหายใจเขาออกไปอย่าปล่อยให้จิตคิดถ้าจิตหยุดคิดเมื่ไหรจิตก็จะหลับจิตก็จะสงบไม่ค่อยได้ไปทําบุญครับแต่ดูช่องนี้แล้วก็ได้ฟังธรรมก็มีความสุขอย่างนี้ได้ไหมครับก็เป็นบอีกอย่างนึงครับบที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมได้ปัญญาได้ความรู้ เพ่มก็เป็นบุญที่ระดับสูงสูงกว่า บ, บุญที่ได้จากการทำบุญทำทานแต่อันที่สองที่จะได้รับวก็ไม่เหมือนกันบุญที่ได้จากการทำบุญทำทานมันก็จะทำให้เร า, เ, าเวลาที่เราไปอยู่ที่ไหนพบหน้าเราก็จะไม่ไ ม, ไม่ไม่อดอยากขาดแคลนเพราะเราได้สะสมาออาทานคืนอเงินทองนี่จะไปรอรับเราอยู่ข้างหน้าไปไปเลี้ยงเราไปดูแลเราข้างหน้า แต่ถ้าเราทำบุญด้วยปัญญาด้วยการฟังธรรมเราก็จะมีความรู้ความฉลาดแต่เราอาจจะไม่มีเงินอาจจะเกิดมาไม่มีเงินมีทองแต่เราก็สามารถใช้ปัญญาของเราหาเงินหาทองได้ไม่นเป็นคนอริสงเป็นคนละอย่างกันคุณสุภาพครับหนูสวดมนต์ก่อนออกไปทํางานช่วงเช้าทุกวันอยากทราบว่าช่วงนั้นนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงทุกวันจิตสมาธินิ่งบ้างไม่นิ่งบ้าง แบบนี้ได้บุญไหมครับก็ได้บ้างได้บ้างสิ่งที่ได้แน่นอนก็คือวิริยะคือความเพียรบุญที่เกิดจากความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรแต่บุญที่เกิดจากความสงบนี้ยังอาจจะไม่ได้การถือศีลที่บริสุทธิ์จะทําให้เกิดมาในชาติหน้ามีรูปลักษณะที่ดีจริงไหมครับอาจารย์ก็ ถ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ารักษาศีลยังไม่ได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็อาจจะมีสุขภาพแข็งแรงมีร่างกายอ า, อาการครบสามสิบสองไม่มีโครคภัยไข้เจ็บเบียนๆแต่ความสวยความ ง, งาม น, นี้ได้มาจากการทําบุญทําทานมากกว่าถ้าอยากได้รูปร่างหน้าตาสวยงาม น, นี้ต้องหมั่นทำบุญทําทานแล้วก็รักษาศีลก็คู่ไปด้วย การปฏิบัติธรรมมักจะมีแบบทดสอบเยอะมากช่วงนี้แต่ทําให้จิตใจเราเข้มแข็งรู้ทันและมีสติครับก็ดีเพราะการปฏิ บ, บัติธรรมก็เป็นเหมือนการทําข้อสอบของชีวิตเนี่ยถ้าเราสอบผ่านชีวิตเราก็จะมีความสงบมีความสุขไปช่วยจัดอาหารถวายเพลนทุกวันอาทิตย์ที่สนักสงและใส่บาตรทุกวันดีไหมครับดเนี่ย ได้บุญสองชนิดบุญที่กัจากการให้ใส่บานนี่ก็เป็นฐานและบุญที่ไปช่วยพุทธทานในวัดก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งเป็นเป็นบุญที่เป็นบุญจิตของจิตอาสารับใช้สังคมรับใช้ผู้คนคุณแคทครับเราจะรู้ว่าเราไม่กลัวตายจริงๆได้อย่างไรเพราะเวลาใครถามมักจะบอกเขาว่าไม่กลัวตายเพราะชีวิตตอนนี้ไม่รู้สึกติดค้างกับอะไรเลยพร้อมตาย แต่ยังกลัวผีอยู่ครับกัวผีก็กลัวตายอยู่ดีนะผีไม่มีทําอะไรได้ะอย่างมากมันก็ฆ่าเราถ้าเราไม่กลัวตายแล้วเราก็ยังไม่กลัวผีก็ต้องไปทดสอบดูต้องไปไปอยู่ในที่ที่มันอาจจะมีความท้าทายต่อความเป็นความตายของชีวิตเรามาดูว่าเรารู้สึกกลัวหรือไม่กลัว อรอรหันต์ท่านนอนฝันอยู่ไหมครับความจริงฝันไม่ฝันนี่มันไม่เกี่ยวกับการเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นพาาระอรหันต์นะพาาระอรหันต์ท่านเพียงแต่ถ้าไม่มีโนบกฏลงนั่นเองแต่ความฝันนี่ท่ก็จะฝันท่านจะฝันก็ได้ไม่ฝันก็ได้แล้วแต่รักโดยไม่หวังผลตอบแนทนทําให้ไม่เกิดความทุกข์ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ก็รักแบบให้ไงรักแบบ ความเมตตาอย่างพ่อแม่ให้ลูกไปทําให้ลูกไปทําด้วยความเมตตาพระอาจารย์ครับจะฝึกทําใจให้ไม่เกลียดคนที่เราไม่ชอบได้อย่างไรครับก็มีสองวิธีวิธีแราก็คือวิธีของสติสมาธิเนี่ยพยายามฝึกสตินั่งสมาธิทําใจให้สงบให้มีอุเบกขา แล้วใจเราก็จะเฉะยๆเวลาเราสัมผัสได้ไม่ว่าอะไรส่วนสิ่งที่เราไม่ชอบนี้เราก็อาจจะพิจารณาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราชอบว่มันแตกต่างกันหรือเปล่ามันก็ร่างกายของคนมันก็มีอาการสาสิบสองเหมือนกันคนที่เราชอบก็มีผมคนที่เราไม่ชอบก็มีผมถ้าเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบมาด้วยปัญญาแล้วแสึงว่าก็เหมือนกันเพียงแต่ว่ารูปร่างลักษณะอาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็ส่วนประกอบก็เหมือนกัน ทำมาจากทาตสีดินน้ำลมไฟเหมือนกันเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาเหมือนกันต้องพยายามพิจารณาส่วนที่เป็นเหมือนส่วนที่มันเหมือนกันแล้วมันก็จะทำให้เราคลายความชันได้ถึงสีนแปดเราเป็นโรคกดไหลย้อนกินสาหร่ายมเมล็ดทานตะวันได้ั้ยครับในช่วงเย็ยนครับคือ สิ่งนางที่อนุญาตให้ให้กินตอนหลังจากกรางวันไปแล้วนี้ต้องเป็นเพษัช ต, ต้องเป็นยาถ้าเราต้องมีโรคด้วยเรามีโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งเราต้องอาศัยเพสัที่พระเจา้าทรงกำหนดไว้ห้ามชนิดก็คือน้ำตาลน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้าตาลโนยข้นเนยใสแล้วก็น้ำาพึ่มเนี่เป็นสิ่งที่อาจจะ ทาพระเวลาไม่ได้กินอาหารตอนเย็นมันอาจจะท้องมันอาจจะเป็นแผลหรือเป็นอะไรไม่เปล่าไม่ถ้าอาจจะใช้สิ่งเหล่านี้ไปเครือบหรือไปช่วยบรรเทาแต่ไม่ใช่แต่สมัยนี้เราก็ปากกั็เป็นวันนี้ี่ก็เป็นย า, นนยาแล้วก็กินไม่ได้กินเพราะรัก เ, เพราะเพราะเพะเป็นโครคภัยไข้เจ็บแต่กินเพราะอยากจะดับความหิวถ้าอย่างนั้นก็อยากอยากถือสิ่งข้อนี้จะดีกว่า มันจะได้หมดปัญหาไปสมาธิเกิดจากอะไรครับเกิดจากสติไงสติจะควบคุมความคิดหยุดความคิดพอจิตหยุดคิดได้จิตก็จะเป็นสมาธิจะจะนิ่งจะสงบนี่ว่าสมาธิอยากเรียนถามว่าเวลาตักบาตรนาปัจจัยใส่ซองถวายพระบาบไหมครับไม่บาบเลย ทำได้แล้วแต่พระว่าท่านจะรับหรือไม่รับบางบางบางพระบางวัดท่านจะไม่ไม่รับกับตัวเองท่านหอดต้องผ่าให้กับโลกสิทธิ์บางว่าเขาก็รับได้แล้วแต่วัดมีเพื่อนเป็นอิสลามครับเขาถามเรื่องพระพุทธเจ้าสอนอะไรบอกไปว่าเรื่องทุกข์กับวิธีดับทุกข์พูดอย่างนี้ถูกหรือผิดครับก็ถูกธรรมสอรพุทธเจ้าทั้งหมดก็สรุปลงที่ตรงนี้แหละ เนื่ความทุกข์และวิธีการดับทุกข์คุณแต้มสีครับดิฉันเคยรักคนบางคนแต่ไม่คิดจะแต่งงานอยู่กินกับเขาไม่คิดให้เขามารักเรามาชอบเราตอบดิฉันก็มีความสุขดีเป็นความรักแบบที่ผ้าจารย์สอนใช่ไหมครับถ้าเราไม่ทุกข์กับเขาก็ก็เป็นความเมตตาแบบรักแบบเมตตาแบบ ช่วงนี้สดมนจิตฟุ้งซ่านมากเลยครับเอากลับมาไม่ค่อยได้ทำอย่างไรครับก็ต้องสวดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะกลับมามีคุณแมนดี้สมิธครับอาจารย์บอกว่า love his d h a m m a teachings doesn't matter what language I feel so calm to hear and see him ครับอาจารย์คนนี้เป็นลูกศิษย์อยู่ที่แคนาดาเข้ามาฟัง ในในโซนเกือบทุกกะทิดก็ไม่ทุกกะทิแต่แล้วก็เข้ามาบ่อยวก็เป็นชาวแคนาดาครับ Thank you for your comment เขาฟังไม่ออกแต่เขาก็แค่ฟังเสียงเห็นพระอาจารย์ก็ฟิวครับเลยพระอาจารย์ครับวันนี้ก็มีชาวรัสเซียกลุ่มหนึ่งประมาณสิบคนก็มาฟังฟังธรรมที่น้ากุติแล้วก็ถามถามคำถามหลังจากที่เทศเสร็จแล้วเขาก็ช่วยกระปลาให้ฟังกัน คนบางคนก็ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องฟังภาษาอังกฤษก็ไม่รู้เรื่องต้องมีหัวหน้ามาถามคําถามในภาษาอังกฤษแล้วก็อธิบายตอบให้เข า, เาไ ป, ป็นภาษารัเซียอทีหนึง่งขณะที่เทศภาษาไทยเขาก็นั่งสมาธิกันไปเขาเป็นพุทธไหมครับอาจารย์หรือว่าเขาเข้าองสนใจครับเขาเป็นแบบว่าเขาเขาบบบว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการชวนกันมา มีหัวหน้าคนหนึ่งก็โพสต์ไปในเฟซบอกว่าเขาจะจัดกรุ๊ปมาที่นองไทยมาปฏิบัติธรรมถ้าใครสนใจก็สามารถจะมาสมัครได้เขามาทำกันอะไรนี้มาจากหลายหลายหลายเมืองหลายที่ด้วยกันในประเทศตาเซียไม่รู้จักกันมาก่อนแค่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันเรื่อเรื่องของการปฏิบัติธรรมโดนนอกใจครับ คนทําอย่างไรให้ไปวางได้ครับก็คือมันเป็นเรื่องของที่ไม่มีอะไรแน่นอนไงเราไปดองเองเราไปลองคิดว่าเขาจะรักเรารักเดียวใจเดียวมันได้วันหนึ่งเขาอาจจะเปลี่ยนไปได้ก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกข์เพราะว่าเราไปยึดไปติดในตัวเขาคิดว่าเขาจะต้องไม่หนองใจเรา เราก็ต้อเปลี่ยนเป็ น, เปนทัศนคติใหม่บอกว่าขงทอมเขาไม่รักเราเขาไม่เช่าเราไปตลอดตอนที่ตอนที่รักกันแค่ไม่นี้แต่พอเขาเปลี่ยนใจเขาก็ไปรักคนอื่นแทนคุณกนกวรรณครับลูกดูแลพ่อแม่ด้วยความรักแต่มักถูกท่านว่าอะไรไม่พอใจในสิ่งที่ลูกทำให้เสมอลูกพยายามวางอุเบกขาเพราะอยากตอบแทนพระคุณท่านอย่างที่สุด ถึงแม้ลูกคนอื่นจะไม่เคยดูแลท่านก็ไม่เคยบ่นวางเหมือนกับที่ว่าลูกลูกต้องอดทนและวางอุเบกขาหรือวางใจอย่างไรดีครับบางทีก็อดน้อยใจไม่ได้ครับก็ปัญหาของเราอยู่ที่ว่าเราอยากจะให้ท่านรักเราชอบเราพอใจกับการที่เราเลี้ยงดูท่านแต่บางเวลาท่านอาจจะมีอารมณ์ท่านอาจจะพูดไม่ดีอะไรบ้างเราก็อยากไปถือถือสา นำไปหน้าที่ทดแทนมูลคุณทําหน้าที่ดูแลท่านก็ทำไปให้เราคิดว่าเราเป็นเหมือนคนรับคนใช้ก็แล้วกันคนรับใช้ส่วนพ่อแม่ก็เป็นเหมือนเจ้านายท่านจะชมเราหรือท่านจะดุเราจะบ่นเราหรืออะไรก็เป็นเรื่องของท่านแต่เราถือว่าเราต้องการทําหน้าที่ของลูกที่ดีลูกที่มีความกตัญญูเราก็ทําไปรับใช้ไปถ้าเราไม่หวังอะไจากท่านแล้วเราก็จะ ไม่รู้ไม่รู้สึกเสียใจไม่รู้สึกทุกข์ใจเรืออาจจะมองว่าสิ่งที่ท่านทำให้กับเรามันที่มันมากมายเหนือเกินอยู่แล้วชีวิตหนของเรานี่เป็นชีวิตที่ท่านมอบมาให้กับเราเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องหวังอะไรจากท่านอีกแล้วท่านให้ท่านได้สิ่งดีๆกับเรามาแล้วเราไม่หน้าที่ทดแทนมันคุณก็ทำหน้าที่ทดแทนมันคุณไป ความลับไม่มีในโลกหมายถึงทุกอย่างที่เกิดขึ้นทางโลกไม่เป็นความลับหรือครับถ้าเราไม่บอกใครมันก็มันก็ไม่มีใครรู้อย่างพระปเ จ, จกับพุทธเจ้าไม่มีใครรู้ว่าท่านเป็นพระปเ จ, จกับพุทธเจ้าว่าท่านไม่ประกาศมากว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครรู้ยังเนีน้เป็นความนับไม่ไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ขออนุญาตสอบถามครับพระอรหันต์ที่เข้านิพพานแล้วจะเจอพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ที่นิพพานไปก่อนไหมครับอันนี้ไม่ทราบน ะ, ะบางทีบ้านอาจารย์บางลูกท่านก็มี เ, เล่าให้ฟังว่าท่านยังติดต่อพุทธเจ้าได้อยู่ยงก็ไม่กล้าไม่กล้าไปประมาณในคําพูดของครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ฟังหูไว้หูไปก็แล้วกันมันไ ม, ม, ม่เป็นประเด็นสําคัญ ว่าจะเจอกันอีกหรือไม่เจอกันอีกประเด็นี้สาคัญก็อยู่ที่ทํำยังไงให้ใจเราพ้นทุกข์อย่าดีกว่านร่อนี้สําคัญกว่าอายุ45ปีครับป่วยหลายโรคแฟนก็ป่วยเส้นเลือดสมองพ่อป่วยเส้นเลือดสมองตีบตทําบุญแบบไหนให้ดีขึ้นได้ไหมครับออน้องใครกันเจ็บก็ต้องไปทําบุญกับโรงพยาบาละไปทำบุญกับหมอเอ่ ถ้าหมอจะได้มีกล้างไม้กค้า่งมือมีอยู่มียามารักษาเราความรักที่มีต่อพี่น้องเราช่วยครอบครัวเขาเท่าที่ช่วยได้คือดูแลหลานช่วยให้คําแนะนําเรื่องการจัดการเงินแต่ไม่ได้ผลจนเราช่วยเหลือจํานวนหนึ่งแต่ก็ไม่พอจนมารบกวนเงินพ่อแม่เราจะวางใจอย่างไรครับก็เป็นเรื่องของเขาไงเราก็ช่วยเท่าที่เราช่วยได้ ถ้าไม่พอเขก็ต้องไปหาอะไรอื่นมามาสมทบถ้าต้องอยู่กับคนที่เห็นแก่ตัวมีหลักคิดยังไงให้อยู่ได้อย่างมีความสุขครับก็เคิดว่าเป็นธรรมชาติของเขาคนบางคนก็มีนิสัยแบบนี้มีนเป็นธรรมชาติแบบนี้เห็นแก่ตัวบางคนก็ไม่ค่อยเห็นแก่ตัวถ้าเราเจอเราก็ต้องเราก็ต้องยอมรับทําใจว่ามันเป็นเนี่ยของคนที่มีความ หลากหลายในอุปนิสัยบางคนก็ไม่เห็นแก่ตัวบางคนเสียสละบางคนยินดีช่วยเหลือผู้อื่นบางคนก็เอาแต่เอาร่าัเปียกถ้าเราต้องอยู่กับเขาก็ต้องอยู่ไปก็ต้องทำใจไปเขาปล่อยเขาทำไปเราก็ไม่นำไปยุ่งกับเขาตอนนั่งสมาธิลราฟุง้งซ่านคิดเยอะ มีแต่เรื่องเข้ามาในหัวเราคอยเราควรปล่อยไปตามความคิดหรือต้องทําอย่างไรดีครับเต้องใช้คำบริกรรมเวลานั่งสมาธิอย่านั่งเฉยเฉต้องมีคำบริกรรมให้จิตบริกรรมอยู่เรื่อยถ้ามีคำบริกรรมความคิดก็กจะเกิดขึ้นมาได้ยากเมื่อถึงเวลาใกล้ตายสมาธิที่ฝึกจะช่วยเราได้อย่างไรครับ ก็ช่วยทำใจให้เราสงบนะเมื่อใจสงบมันก็ไม่ทุกข์ไม่ทรมานถ้าเราไม่ฝึกมาก่อนไมนรู้จักทำใจให้สงบจากสมาธิมาก่อนเวลาจะตายเราอาจจะฟุ้งซ่านหรืออาจจะเครียดจัดจะทุกข์ทรมานมากแม่เสียชีวิตไปยี่สิบห้าปีอุทิศบุญให้แม่จะได้รับไหมครับ แล้วแต่แม่ว่าอยู่ในสภาพที่มารอรับอยู่หรือเปล่าถ้าถ่าไม่ได้รอรับอยู่ท่านก็ท่านจะไม่ได้รับท่านอาจจะไปเกิดหรือท่านอาจจะมีบุญพอที่ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญก็ได้ให้หนังสือธรรมะเพื่อนที่เป็นอิสลามเรื่องอิทัปปัจจยาตาและปฏิจจสมุปบาทเราจะบาปไหครับเป็นคนละาศาสนากันครับเออไม่บาปครับเป็นการให้ธรรมะเป็นการเป็นการทบุญ ม่ได้ไม่ได้ไปให้ความรู้ที่ไปทำให้เขาไปทำลายพูดแต่เป็นความรู้ที่จะช่วยให้เขาพ้นทุกข์ได้เริ่มคิดได้ตามพระอาจารย์แล้วคือสมบัติเงินทองลูกเมียก็ไม่ใช่สมบัติที่แท้จริงของเราควรเอาเงินทองที่มีอยู่มาสร้างฐานในการปฏิบัติธรรมซึ่งมันเป็นสมบัติที่แท้จริงของเราจะดีกว่าผมเข้าใจถูกไหมครับถูกต้องทรัพย์ภายในนั้นเป็นทรัพย์ของเรา อริยทรัพย์แต่ทรัพย์ภายหนเป็นสมบัติชั่วคราวผักกัชมเดี๋ยวพอเราตายไปสมบัติที่เราไม่อยู่ก็เป็นของคนอื่นไปเตรียมอาหารใส่บาตรตอนเช้าแต่ไม่ทันพระไปก่อนแล้วเรานำอาหารนั้นไปให้คนที่เขาลำบากแบบนี้ได้บุญไหมครับได้ได้เหมือนกัน รู้สึกเบื่อหน่ายชีวิตมากคือคนเราเกิดมาก็ต้องดิ้นรนหาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราเองต้องกินต้องนอนต้องเข้าห้องน้ําวนลูบทุกวันตายแล้วเกิดใหม่ไม่จบไม่สิ้นเมื่อไหร่จะหลุดพ้นจากโคจร น, นี้ครับทําอย่างไรครับเราโชคดีที่เราได้มาเจอคําสอนของพระเจ้าที่บอกว่าการเกิดเป็นทุกข์นะแล้วท่านก็บอกว่าเหตุที่ทําให้เรามาเกิดก็คือความอยากอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุข ถ้าเราไม่อยากจะกรรมมาเกิดอีกเราก็ไปปฏิบัติธรรมไปบวชจรรยานสติสมาธิปัญญารักษาสินสมาธิปัญญาถ้าเรามีสินสมาธิปัญญาเราก็จะสามารถกําจัดความอยากที่พาเรามาเกิดได้และกําจัดความทุกข์ที่ทําำกาจัดความอยากที่ทําให้ใจเราทุกข์กับการการอยู่ในโลกนี้ได้เราก็จะอยู่ในโลกนี้ไปอย่างไม่ทุกข์ไม่เห น, น, นือดน้อยจนไปถึงวันตาย ถ้าตายแล้วเราก็จะไม่กลับมาเกิด อ, อีกการทําสมาธิแบบหินทับหญ้าหมายความว่าอย่างไรครับคือสมาธินี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่เป็นเปรียบเหมือนกับหินที่ทับหญ้าหญ้ mm hmm. า ก, ก็ขึ้นกิเลสความโลภความโกรธความหลงเวลาเราเข้าสมาธินี้ความโลภความโกรธความหลงจะถูกกาลังของสมาธิกดไว้มันนั้นจะไม่มีความโลภกรธหลงเลย เป็นวังจิตเป็นนิพพานไปเลยแต่เป็นแบบนิพพานชั่วคราวพอเราออกจากสมาธิมาปั๊บพอเย็นน้ำคิดจิตเริ่มไปรับรู้โน้เสียงกลิ่นว่ต่างๆความโลภความโกรธความหลงที่ถูกกำลังของสมาธิกดไว้ก็จะโผล่กลับขึ้นมาอีกก็เหมือนเห็นทับหญ้าเวลาเราเห็นไม่ทับหาหญ้าก็ไม่สามารถองอกงามขึ้นมาได้แต่พอเราเห็นออกปั๊บที่ไม่ทั้งระยะหนึ่งพอได้น้ำได้แดดเดี๋ยวหญ้า ก, ก็จะงอกขึ้นมาอีก เพราะว่ารากของยาไม่ได้ถูกถอนออกจากเนินกันเองสมาธิกรรมนั้นกันไม่ได้ไม่ได้ถอนรากโคนของของกิเลสตัณหาก็คือโมหะอาวิชชาผู้ที่จะสามารถถอนกิเลสได้ตัณหารากของกิเลสตัณหาได้โมหะวิอวิชชาได้ก็คือปัญญาเคยจิตรวมแป๊บ ตกใจกลับมาปกติหนึ่งครั้งเคยจิตรวมใหญ่หนึ่งครั้งยังนั่งสมาธิวันหนึ่งชั่วโมงถือศีลแปดวันพระใหญ่มาหลายปีอย่างนี้ตายไปผมจะเกิดเป็นพรหมไหมครับหรือต้องจิตรวมสม่ําเสมอถึงจะไปเป็นพรหมครับก็อยู่ว่าตอนนี้เรายังเสพกลามอยู่หรือเปล่าถ้ายังเสพกลางก็ยังไปเป็นพรหมไม่ได้เรายังเสพรูปเสียงกลิ่นเล่าอยู่อาจจะสงบเพว่บแวบเดี๋ยวอันี้ยังถือว่าเป็นพรหมช่วงช่วงขณะเดียว ยังไม่เล่นเป็นพรหมอย่างท้ามอญถ้าเป็นพรมอย่างเท้ามอญตอไปอยู่แบบนักบวชแล้วก็เธอสิงแสไม่หาความสุขจากการเสียงรูปเสียงกินนัดหาความสุขจากการเข้าสมาธิเข้าฌานเพียงอยู่เดียวช่วงนี้ชีวิตทําอะไรก็ดูติดขัดไปหมดชีวิตไม่ดีขึ้นเลยเป็นเราใช้กรรมเก่าหรือเปล่าครับมันเป็นอนิจจังโลกของเราที่เราอยู่นี้มันไม่มีอะไรแน่นอน มีเหตุในปัจจัยที่บางทีก็เสริมชีวิตเราให้หลายลื่นดีบางที้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ขัดขวางการดําเนินชีวิตของเราให้ติดตรนั้นขัดตรงนี้ก็เหมือนขับรถบนท้ทนองถนนเหมือนกันเลยให้ดูชีวิตเราเหมือนกับการขับรถบนท้ทนองถนนบางช่วงถนนก็ว่างโล่งไปสบายไฟเขียวผ่านตลอ ด, ดสีแยกไหนก็เจอแต่ไฟเขียว <c oughs> แต่บางช่วงก็ไปเจอสีแยกก็มีแต่ไฟแดง ถ้าไม่มีไฟแดงก็ติดรถเองไฟเขียวแต่ยังผ่านไปไม่ได้เพราะรถมันติดขวางทางอยู่อันนี้ก็ต้องถือว่านี่คือเรื่องของกฎอ น, นิจจังเป็นของที่มันไม่มีอะไรแน่นอนอนาตตาไม่มีใครไปควบคุมบังคับมันได้ดันั้นถ้าเราอยากจะอยู่ในโลกของอ น, นิจจ์อนาตตาโดยไม่ทุกข์เราก็ต้องทำใจอย่าไปอยากให้มันไฟเขียวผ่านตลอดอย่าไปอยากให้มันทุกอย่างไหลลื่นไปต้องพร้อมที่จะรับกับสภาพที่ไม่แน่นอนนี้ เราก็จะไม่ถูกประมันเปิดร้านนวดที่มีผู้หญิงขายบริการอยู่ด้วยนะครับผิดศีลข้อสามหรือไม่ครับและคนที่มาเที่ยวในร้านผิดศีลข้อสามด้วยไหมครับคนที่ใช้บริการนะผิดศีลข้อสแต่คนเปิดไม่ผิดเพราะท่างท่างเราไม่ได้ไปใช้บริการด้วยแต่ก็เป็นอาชีพที่ไม่คนจะทำเพราะเป็นการส่งเสริมให้คน ท, ทําทําบาป ถ้าเราไปอยู่กับพี่สาวทุกเช้าเขาให้เราทํากับข้าวใส่บาทเขาโมทนาก่อนเราเป็นคนใส่เราก็โมทนาก่อนใส่บาทอย่างนี้เราได้บุญไหมครับคือถ้าเป็นของของของพี่สาวนี่พี่สาวยังได้บุญจากการให้อาหารเราไม่ได้เป็นยอดของเราไม่ได้บุญเราได้บุญจากการที่เราช่วยเหลือเขาช่วยช่วยใส่บาตให้กับเขาเป็นมุญคนละอย่างกันบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้ เราใช้พูดเราก็ได้บุญส่วนนี้แต่บุญที่เกิดจากเสียสละเสียเงินทองซื้อกับข้าวซื้อของมาทากับข้าวนี้เป็นของคนที่เขาเสียเงินก็นคือเป็นของพิสาเข้าไปค้อวอย่างมันถ้าเราฝึกให้จิตอยู่กับปัจจุบันบ่อยๆอยู่กับสิ่งที่ทำมันให้รู้สึกว่าจิตเบาสงบไม่วุ่นวายทุกข์ร้อนกังวล นั่นคือประโยชน์ของการอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมครับแล้วถ้าเราฝึกจนเป็นนิสยัยจิตจะเป็นอย่างไรต่อครับถ้ า, าฝึกอยู่เรื่อยๆรื่อเราก็เวลานั่งสมาธิจิตก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้แล้วเราก็จะได้สัมผัสกับความสุขที่เหนียวกับความสุขที่ป่วงคือความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราก็จะปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ไม่ยึดไม่ติดกับอะไรมีความสุขกับการอยู่กับความว่าง ทำหมันปาหมันแมวบาปไหมครับไม่บาปแต่ก่อนหนูเป็นคนขี้เหงามากๆติดเพื่อนติดคนโน้นคนนี้แต่ช่วงสี่ปีที่แล้วสามีเสียชีวิตถัดมาก็เป็นคุณแม่ส่วนคุณพ่อเสียไปนานแล้วตอนนี้จึงไม่มีใครเลยแต่กลับสงบมากรู้สึกโล่งไม่มีห่วงเลยการไม่มีห่วงทำให้สงบจริงๆครับแต่เพราะหนูฟังพระอาจารย์มาตลอดสี่ปีนี้ด้วยไม่งั้นคงไม่สงบ กลับกพระคุณพระอาจารย์นะครับใช่ถูกต้องห้ามีสติทาใจให้เราสงบนั้นเราก็จะไม่รู้สึกเหนาะไม่รู้สึกว่าเว่ตอนที่เราต้องอยู่คนเดียวแต่กลับชอบสิกับเห็นกลับไปเบื่อกับเวลาที่ต้องอยู่กับคนอื่นก็อยู่กับคนอื่นก็ต้องไปมีปฏิสัมพันธ์กับเขาก็ต้องมีปัญหากันไม่ช้าก็เร็วคนที่ชอบโกหกเวลารู้ทันก็จะพูดวาสาบานให้ตายเลยแบบนี้ คำสาบานจะเป็นจริงตามที่เขาพูดไหมครับไม่หรอกคำสาบานมันแค่เป็นคําพูดเท่าความจริงมันอยู่ที่เหตุเหตุปัจจัยต่างๆแค่สูรลมเข้าลึกๆก็เย็นซาบซาบทั้งตัวขนลุกซาครับไม่ว่าจะนั่งเดินนอนใช่ปิติไหมครับไม่ทราบนะถ้าเป็นแต่แค่สูสดล ม, มเข้าไปครั้งเดียวแล้วก็เกิความรู้สึก อ, อย่างนี้แล้วแต่เราจะเรียกมัน่ะ จะเป็นอะไรก็ไม่สาคัญขอให้รู้ตัวมันก็ถ้ามันสวยเข้าไปแล้วใจเราทราบสบายก็ก็ทําไปทําไมไม่ค่อยฝันเห็นญาติที่ตายไปแล้วครับถ้าฝันเห็นญาติก็จะไม่พูดกับเราครับก็เป็นความคิดของเราเราคิดถึงเขาบางทีเราก็ฝันถึงเขาไม่แด้หมายความว่าเข้ามาหาเราถ้าเขามาหาเราเราต้องคุยกับเขาได้ สามีเสียชีวิตกระทานหันได้ประมาณสองปีแล้วจากที่ทุกข์หนักมากๆตอนนี้เริ่มดีขึ้นความเศร้าก็ค่อยๆจางลงแล้วแต่มีความเหงาเกิดขึ้นบ้างจึงใช้วิธีส่งลายจากโทรศัพท์เครื่องของสามีมาให้ตัวเองคือพิมพ์เองนะครับแบบนี้ถือว่ายังยึดติดยังตัดไม่ได้หรือเปล่าครับกราบขอปัญญาพระอาจารย์ครับยังเหงาอยู่ตัวเราเป็นคนพิมพ์แล้วเราเป็นคนอ่านเองแล้วเราก็ไปจินตนาการว่าเป็นเป็นข้อความจากสามี ก็เป็นการหลอกตัวเราเองไปแท้เองการทําบุญกับการทําทานควรทําอะไรมากกว่ากันครับอันเดียวกันคือคําว่าทานนี่แปลว่าการให้เป็นเหตุบุญก็คือผลที่เกิดจากการให้คือความสุขใจเลวลาเราให้อะไรใครแล้วเราจะเกิดความรู้สึกสุขใจขึ้นมาความรู้สึกสุขใจนี่แหละเรียกว่าบุญ เห็นไหมว่าเราจะให้อะไรทําทานกับใครทําทานกับพระทําทานกับผู้ที่ไม่ใช่เป็นพระก็จะได้บุญเหมือนกันได้ความสุขใจเหมือนกันคุณปุ๋เป้ครับเข้าสมาธิตั้งแต่ฌานสี่ขึ้นไปเข้าสู่การสร้างพลังจิตเข้าใจถูกไหมครับคือพลังจิตนี้มันไม่ได้อยู่เพียงแต่สมาธิอย่างเดียวพลัจิตนี้ต้องมีปัญญาด้วย ถึงจะเป็นพลังที่มีพลังมากพลังสมาธิก็ให้ให้ให้ได้ในระดับนั้นแต่ยังไม่พอต้องเสริมพลังจิตด้วยปัญญาถึงจะได้พลังที่สามารถที่จะกาจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้ทำให้สามารถใจไปถึงนิพพานได้แต่ถ้าสมาธิอย่างเดียวถึงแม้จะเข้าสมาธิเข้าฌานแปด เช่ารูปปชาญก็ยังไม่สามารถที่จะส่งจิตให้ไปนิพพานได้ยังติดอยู่ในพรหมโลกคนที่ต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างว่าคนนู้นว่าคนนี้ผิดศีลข้อไหนไหมครับก็ไม่มีสัจจะเยเป็นคนเป็นตอนพระรับบาทมาแต่กลับเอาของไปให้พี่ที่บ้านพระสมควรทำได้ไหมครับ ก็เป็นของพระเท่านเอาไปให้ใครกันได้โดยพระแมตไนท์ท่านอนุญาตได้งะมีพ่อเแ ม, ม่ได้ถ้าเกิดพ่อแม่ไม่สบายหรือว่าพ่อแม่เดือนนอนต้องการความช่วยเหลือพระก็สามารถแบ่งปัญหาหนาีน้ไปให้กับพ่อแม่ได้แต่กับพี่น้องนี่ไม่มีข้ออนุญาตแต่ก็ไม่มีข้อห้ามถ้ามีคนคอยพึ่งพาเราตลอดจนทําให้เรารู้สึกไม่ดีควรทําอย่างไรครับ คนคุยกับเขาเเขาบอกว่าเราไม่สามารถที่จะดูแลเขาไปได้ตลอดนะอาจจะให้เวลาเขาเตือนเขาลงหน้าก่อนต่อไปนอีกสามเดือนก็ต้องของยุติการช่วยเหลือแล้วเป็ตน้นพระสนทนาธรรมด้วยกันจะรู้ไหมครับว่าภูมิธรรมอยู่ในระดับไหนหรือบรรลุธรรมหรือยังครับรู้ถ้าแต่ต้องกับระดับของตนเองถ้าระดับที่สูงกว่านี้อาจจะไม่รู้ ถ้าเป็นพระโสดาบันคุยกับคนปฏิบัติธรรมด้วยกันก็จะรู้ว่าเขาได้บรรลุโสดาบันหรือไม่แต่สูงกว่านั้นขอไม่รู้บอกเพื่อนให้ถือศีลห้าเขาปฏิเสธเขายังฆ่ามดเราบอกให้กวาดไปทิ้งบอกฆ่ามดได้ไปเกิดไปเกิดดีเหมือนเขาทำบุญให้หมดครับก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่มีเราไม่สามารถไปสั่งไปสอนเขาได้นอกจากเข้ามา ขอคำปรึกษาเขาเราถ้าไม่ขอคำปรึกษาล้าก็ไม่ต้องไปสอนเขาปล่อยเขาไปทำตามเป็นเของเขาไปช่วงนี้งานยุ่งและเหนื่อยมากครับเราควรวางใจไว้อย่างไรดีครับก็ให้รู้จักประมาณในทุกสิ่งทุกอย่างคือทางสายกลางทำงานหนักเกินไปเกินกำลังก็ไม่ดีทำงานน้อยกว่ากำลังที่เราทำได้ก็จะได้ประโยชน์ไม่ไม่มากที่ควร เราต้องรู้กำลังของเราแล้วสามพยายามปรับให้เรามันพอดีกับกําลังและสภาพแวดล้อมของเราเพื่อที่เราจะได้ไม่เครียดเพื่อที่เราจะได้ไม่เหนื่อยมากเกินไปการสวดมนต์นั่งสมาธิจะช่วยให้ชะลอการหลงลืมตามไว้ได้หรือไม่ครับก็มีสติก็จะช่วยได้สตนินี้เป็นตัวที่จะทําให้เรารู้สึกตลอดเวลา รู้สึกว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นแต่เรื่องการลืมชื่อคนนั้นชื่อคนนี้จะเป็นเรื่องที่ท่ามไม่ได้แต่เรื่องของการรู้ว่าตอนนี้กําลังมีเหตุการณ์อยู่นี่จะไม่จ ะ, จ ะ, จ, ะ, จ, ะจะไม่รู้ถ้ามีสติถ้าเราพูดเรื่องที่เข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องจริงแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องไม่จริงผิดศีล5ข้อมูลสามไหมครับ ถ้าเราไม่มีเจตนาที่จะโกหกเาก็ไม่ผิดมีการผิดพลาดได้คุเองนาจะมีการผิดพลาดได้ถ้าไม่มีเจตนาที่จะไปหลอกเขาก็ไม่ผิดนะบูชาเครื่องสังฆทานและสิ่งต่างๆที่วัดทาบุญบุญจะเกิดไหมครับเกิดเหมือนกันเหมือนกับไปซื้อของที่ร้านขานมละขนอกวัด คุณแม่ครับอายุ83ที่ผ่านมาเชื่อทางไสยศาสตร์และพูดเสมอว่าไม่อยากตายเพิ่งตรวจพบมะเร็งหนูกลัวว่าบอกความจริงแล้วท่านสุดเร็วแต่คุณหมอนแนะนําว่าต้องบอกเพื่อรักษาหนูทุกข์ใจมากไม่รู้จะบอกอย่างไรครับถ้าต้องบอกก็บอกความจริงไป <c oughs> ถ้าท่านถามถ้าไม่ท่านไม่ถามก็ไม่ต้องบอกก็ได้ <c oughs> หรือก่อนจะบอกก็ถามถ้าท่านถามก็บอกว่าแม่อยากจะรู้ความจริงหรือเปล่านี่ครับ ถ้าอยากจะรู้ก็จะบอกความจริงถ้านไม่อยากจะรู้ก็จะไม่บอกทุกวันนี้ไม่ได้นั่งสมาธิเลยครับแต่ทํางานทั้งวันพยายามอยู่กับพุโทโธพุธโทโธอยู่ครับได้ไหมครับก็พอได้พอได้สติบ้างพอได้ทำหน้าจ่ายไม่ฟุ้งซ่านไม่เครียดได้ถ้ามีสติค่อยควบคุมใจอยู่นี่เนี่ย ผิดศีลข้อสามครับจะแก้ไขอย่างไรดีครับก็เลิกเสียอย่าไปทำอีกส่วนสิ่งที่ทำไปแล้วก็ต้องรอรับผลของมันไปมันเกอยขึ้นแล้วเราไปย้อนย้อนกลับไปในอดีตแล้วไปลบมันไม่ได้โดนโกงเรื่องเงินคืออดีตกรรมเก่าที่เราอาจจะไปโกงเขามาใช่ไหมครับจะมองอย่างนั้นก็ได้เพื่อความสบายใจ ทำกรรมอันไดไว้ก็ต้องไปดูรับผลของกรรมั้นตามหลักของกฎแห่งกรรมมีพระผู้ใหญ่ที่เคารพเพิ่งมรณาภาพวันจันทร์ที่ผ่านมาทั้งนั้นที่รู้ว่าวันหนึ่งก็ต้องมีวันนี้แต่ก็ยังใจหายเสียใจร้องไห้ทั้งนั้นที่รู้ว่ามันไม่เที่ยงสักพักก็หยุดร้องแต่เวลาระลึกถึงท่านก็น้ําตาคลอแบบนี้สอบตกใช่ไหมครับต้องดึงสติกลับมาถูกต้องไหมครับ ใช่ไม่มีกําลังที่ทําทใจให้เนี้งเฉยได้เพราะไปสัมผัสกัาเหตุการณ์ก็เกิดปฏิกิริยาขึ้นมาทันทีก็ต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้มากขึ้นเจตนาคือกรรมใช่ไหมครับเจตนาคือความตั้งใจยังไม่เป็นกรรมกรรมต้องกรรมต้องครบเจตนาต้องมีการกระทำถึงนี่ก็เป็นกรรมขึ้นมาตอนต้องก็ตั้ ง, ต, ง, ต, งตั้งใจก่อนตั้งใจงให้ จะขโมยแต่ถ้าไม่เป็นขโมยก็ยังไม่เป็นกรรมยังไม่บาปแต่ถ้าตั้งใจแล้วแล้วก็ไปทําแล้วก็สําเร็จทําแล้วก็สําเร็จกรรมถึงจะครบครบสูญเป็นกรรมขึ้นมาแต่ถ้าตั้งใจจะทําแล้วไปไปกระทําแต่ไม่สําเร็จก็ยังไม่ก็ถือว่ายังไม่ไม่ครบสูญยังไม่เป็นกรรมอถ้าถึงนิพพานแล้วจะสามารถรู้ได้ไหมครับว่าจิตดวงนี้มาจากไหนเกิดขึ้นมาได้อย่า ง, งไรง มันคนละเรื่องกันการทําให้จิตแห่งนิพพานนี่เป็นการชําระซักพอกจิตใจให้สะอาดปราศจากความโลภโกรธหลงนั่นเองแต่เรื่องความรู้ว่าจิตนี้มาจากไหนนี่มันมันไม่เกี่ยวกันตอนเช้าทําอาหารใส่บาตรแต่ก่อนใส่จะให้แม่โมทนาก่อนแล้วจึงออกไปใส่แม่จะได้บุญถ้าคนใส่ไม่ครับแม่มีอายุเก้าสิบสองครับ ก็ขึ้นอยู่กับใครเป็นเจ้าของของนั้นนะถ้าแม่เป็นเจ้าของแม่ก็ได้บุญถ้าเราเป็นเจ้าของแม่ก็ไม่ได้บุญอนันนโมทนานี้เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งคนเราคนเรส่วนกันคนเราไม่ร่มกันลูกบวชแม่ได้บุญมากแค่ไหนเขาตั้งสัจจะจะตายในผ้าเหลืองครับก็ขึ้นอยู่กับว่าแม่จะจะไปทําบุญก็ไม่ทําบุญ การบวชนี่เป็นเพียงการเป็นการสร้างเหตุให้แม่ได้ไปทําบุญแล้วพอลูกไปบวชอยู่วัดนมาก็คิดถึงลูกก็ต้องไปวัดเมื่อไปวัดก็ต้องไปทําบุญด้วยไม่ใช่ไปเยี่ยมลูกเฉยๆก็อาจจะหิ้ของติดมัดติดมือไปไปทําบุญแม่ก็จะได้บุญแต่ถ้าแม่ไปเยี่ยมเฉยๆไม่ได้เอาของออกอะไรไปทําบุญก็ไม่ได้บุญอยู่ดีในที่ทํางานมีคนขี้บ่น ฟังทุกๆวันรู้สึกรำคาญเราควรจะทำอย่างไรดีครับก็ต้องทำใจทะห้ามก็ไม่ได้เวลานั่งสมาธิคือทำสมถะล้วนแต่เวลาออกจากสมาธิทำกิจจะวัดอยู่ก็ดูผายกายไปถ้ามีสภาวะธรรมเกิดขึ้นเช่นโลกโกรธก็ใช้ปัญญาคิดเป็นไตรลักษณ์หรือจะใช้สติพุทโธ ก็ถ้าผมดูแล้วบางทีเห็นโกรธ ด, ดับโลบดับแต่ไม่ทุกครั้งหลายครั้งหลงไปกับอารมณ์กรรมฐานเช่นโกรธนานปนกับคิดฟุ้งซ่านวนไปวนมาแปลว่าสมาธิผมไม่พอใช่ไหมครับส่่นนั้นก็สมาธิไม่พอแล้ว ก, ก็การศึกษาการเจริญปัญญาเหมันก็ยังไม่อยู่ในรูปแบบที่ควรจะทคาควรจะศึกษาปเป็นเรื่องๆไปเชนเื่องร่างกายเราก่อนพิจารณาว่าร่างกายเราไม่เที่ยง ก่อแก่จิตตายหรือถ้ายังยังต้องมีอะไรที่เราผูกพันอยู่เราก็ไปศึกษาเรื่องนั้นถ้าเรายังติดอยู่กับลาบยุทธะเสเสริญศพเราก็ต้องพิจารณาลาบยุทธะเสนเสริญศพให้เห็นว่ามันเป็นของไม่เทียมมีเกิดแล้วก็มีดับได้มีเจริญก็มีเสื่อมได้เราควบคุมบังคับไม่ได้เราต้องสามารถทําใจให้เรารับ ก, กับความความเสื่อมของสิ่งต่างๆที่เราไปเกี่ยวข้องได้ก่อน ต้องอมาพิจารณาร่างกายเราอีกทีหนึ่งเห็นคนโกงทําไมรวยขึ้นรวยขึ้นลูกหลานก็สบายร่ํารวยตามๆกันทําไมเขาทําไม่ดียังสุขสบายอยู่ครับคือความร่ํารวยนี่มันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างไม่ใช่อยู่ที่การทําความดีดหรือทำทําความชั่วอย่างเดียวเหมัอนอาจจะเป็นเพราะเป็นจังหวะที่มันจะรวยมันก็รวยได้ มันเป็นอยู่ภายใต้กฎอนิจจ์มีขึ้นมีลงเป็นธรรมดามันไม่ได้อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเนื่องของการจะระนายุทธเสริญสมนี้แต่บางครั้งกฎแห่งกรรมก็มีส่วนด้วยแต่ไม่ได้เป็นเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นปัจจัยอันเดียวที่ทําให้คนเรารวยหรือจนถ้าอย่างนั้นคนที่บ่วยก็ต้องรวยกันทุกคนเนี่ยทำเป็นพาก็ต้องรวยกันทุกคนเน พ, พาราะพากถอศีลเป็นคนดี คุณพัชรวัตรครับทุกครั้งที่มีความสุขความทุกข์กายใจจะนําโอวัตธรรมที่หลวงพ่อย้ําเสมอมาปฏิบัติคือยอมหยุดเย็นกับสติก็รู้ได้ครับลูกขอปัญญาด้วยครับถ้ายอมหยุดเย็นได้ก็จบกนต้องมีปัญญาก็คือความยอมหยุดเย็นนี่ก็แสดงว่าเรามีปัญญาแนละ้วยอมเพราะเรารู้ว่าเราเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้มันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเรา เรก็เลยหยุดต่อต่อสู้หยุดต่อต้านหวายให้เป็นไปตามเรื่องของเขาพอเราปล่อยด้านใจเราก็เย็นสบายการุญยฆ่าเช่นป่วยเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายเจ็บปวดทุกทรมานมากๆเดินไปเดินทางไปรับการุญยฆ่าอย่างนี้เป็นบาปไหมครับบาปการฆ่าตัวเองก็บาปให้คนอื่นฆ่าให้คนหนึ่งคนนี้ฆ่าก็บาปด้วยกัน ผมไม่เคยเห็นพระอาจารย์สุดใจท่านเทศยาวๆจนได้เห็นพระธาตุของท่านเป็นสีทองคําอารามสวยงามมากแสดงว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์เลยเข้าใจว่าพระอาหารหันต์ท่านจะเทศธรรมะหรือไม่ก็แล้วแต่ปฏิปทาของท่านใช่ไหมครับใช่นะ้วแต่เจรินิสัยของแต่ละคนที่งไม่เหมือนกันคือว่าอาจารย์น้องลูกจ้างก็ไม่ได้สอนเลเช่นน้องปู่สาเนี่ก็ไม่ค่อยได้สอนธรรมะให้ต่อใครสอนก็สอนแบบสั้นๆศีล ส, สมาธิปัญญาเท่นั้นเอง แต่หลวงตามหาโบโรนี่ท่านมีความชำนาญในการแสดงธรรมท่านก็จะมีการแสดงธรรมอยู่มากมายหนังสือธรรมะของท่านมีมากมายอันนี้ก็แต่จริยธรรสัยของแต่ละออก์ไม่เกี่ยวกับการเป็นท่าหลานแลไม่เป็นท่าหลานแต่แต่ปัญญาที่ใช้ข่ากิเรตเหมือนกันเลยใช่ไหมครับพระอาจารย์ปัญญาที่ใช้ข่ากเกเรตก็เป็นส่วนหนึ่งปัญญาที่มาแสดงธรรมก็อีกส่วนหนึ่ง อย่างเช่คุณหมอเป็นหมอแล้วคุณหมอมาเป็นผูน้บริหารนี่คุณหมอจะมีปัญญาทางทางการแพทย์ด้วยการจะใช้ปัญญาทางการแพทย์ม า, มามายกเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบกับเรื่องธรรมะที่คุณหมออยางต้องการจะอธิบายที่อยากจะมาเปรียบเทียบว่ากิเลสนี่เป็นเหมือนเชื้อโรคเชื้อโรคในร่างกายเวลาร่างกายมีเชื้อโรคร่างกายก็เจ็บไข้ได้ป่๋ย ใจก็เหมือนกับร่างกายถ้ามีเชื้อโรคของใจขึ้นมีกิเลสใจก็ทุกข์เยียดค่าได้ปวดเหมือนกันอันนี้ก็อยู่ที่ปัญญาที่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับการที่นําการปฏิบัติให้หลุดพ้นแต่อย่างใดเปิดบทสวดมนต์ทำวัดเช้าและเย็นทุกวันและแผ่เมตตาบันพระประหลุตและเจ้ากรรมนายเวรท่านจะได้รับไหมครับ ไม่ได้รับหลัแล้วต้องไปรับแผ่เมตตาเนี้งแผ่ด้วยการกระทํากับบุคคลนั้นเราต้องการบุคคลนั้นรับความเมตตาเราก็ต้องไปทํากับบุคคลนั้นเช่นเราต้องการให้อาภัยเขาเราเคยโกรธเกลียดเขาคิดจะฆ่าเขาแล้วเราเปลี่ยนใจเราให้อาภัยเขาเราก็บอกต่อไปนี้เราไม่มีเวรมีกรรมกันแล้วนะเราไม่โกรธเธอแล้วนะยกโทษให้เธอแล้วนะอย่างนี้ต่างหากถึงเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาหรือถ้าเราอยากให้เขามีความสุข เราเป็นข้าวของเงินทองที่เหลือใช้เราก็แบ่งมาให้เขาบ้างอันนี้เรีวให้ความสุขกับผู้อื่นต้องต้องแผ่ด้วยการกระทำไม่ใช่แผ่ด้วยการสวดการสวดนี้ไม่ได้เป็นการแผ่แต่อย่างใดการสวดนี้ความจริงเป็นการฝึกสตินั่งสมาธิเป็นการเจริญจิตภาวนาการขอความเมตตาขอความหมายของคําว่าโมหะครับที่เป็นความหลงว่าหลงอะไรครับ ความหลงก็หลงเห็นว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นว่าสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าว่าสุขเห็นว่าสิ่งที่ไม่มีตัวตนว่ามีตัวตนเนี่ยก็คือความหลงก็เหมือนกับว่าเห็นเป็ดเป็นไก่เี้ยครับไม่เห็นตรงของความเป็นจริงถ้าเป็นความจริงก็เป็นปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเห็นตามความเป็นจริง ลูกหลานขายยาเสพติดเราจะบอกเขาได้อย่างไรครับก็บอกเขาเลยถ้าเขาฟังถ้าเขาไม่ฟังก็บอกไม่ได้เดี๋ยวเขามาคุยเขายยาเสพติดเนียอะตกจับติดคุกติดตาราง น, นะมีโทษตามมาแล้วยาที่เราขายก็เป็นอันตรายต่อบคุคคลที่เขาเสพทำให้เขาทุกข์ทรมานเขาจะต้องพึ่งยาเสพติดไปตลอดทีวิี ขอโอกาสครับทําไมเวลาสวดมนต์ทำสมาธิถึงมีอาการห่าและง่วงทั้งๆที่ยังไม่ใช่เวลาดึกและมีอาการขนลุกทั้งตัวเวลาทําสมาธิเกิดจากอะไรครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีความอความเขก่ากระตุ้นอารมณ์ธรรมะของพระเจ้าที่เป็นของเย็นเมื่อมันเย็นมันอะไรทำให้ใจรู้สึกเย็นสบายก็เลยสบายก็เลยอยากจะหลับไม่เหมือนกับดูภาพยนตร์ ดูกีฬานี่มันมีเรื่องมันกระตุ้นให้เรามีอารมณ์ขึ้นมามันก็เลยไม่หลับคิดฟุ้งซ่านกับงานที่ทําอยู่ตลอดเวลาต้องวางใจอย่างไรครับนึกพุดโธแล้วก็ยังวาวุ่นอยู่ครับก็ต้องหยุดคิดให้ได้เพราะตอนนี้เราไม่ได้อยู่ที่ทํางานแล้วเราอยาเอางานกลับมาที่บ้านเราทิ้งงานไปที่ทํางานแล้วเราฝึกสติ จงรอสติให้อยู่ในปัจจุบันให้ว่างจากเหตุที่ผ่านมาแล้วคือกึ่งงานที่เราทําที่งานที่ทํางานถ้ามันย้อนกลับไปคิดเราก็ต้องขยันพุทโธพุทโธบริกรรมไปเรื่อยๆด้วยส่วนมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหยุดคิดถึงเรื่องงานถึงจะหยุดบริกรรมด้วยหยุดส่วนหมันได้บวชเป็นพระเจอลูกศิษย์ที่เคยสอนตนตอนเป็นคารวาส สามารถปรวารณาให้เขามารับใช้ได้ไหมครับหรือทําได้เฉพาะญาติครับเขาเป็นผู้ปวารณาเองเราไปบอกให้เขามาปวารณาไม่ได้เปนเรื่องของศรัทธาถ้าเขาอยากจะมารับใช้เราก็ปวารณาตัวว่าขอรับใช้ท่านท่านต้องการอะไรก็เรียกใช้ได้อย่างนี้เขาก็เราก็สามารถสามารถเรียกเขามาใช้ได้ถ้าอยู่ดีๆไปบอกว่าเธอมารับใช้เราให้หน่อยนะ นี่ท้าท์ทำไม่ได้ไปสั่งให้เข้ามาปวาวนานั่ไม่ได้ปัญญาวิมุตต์กับเจโตวิมุตต์ต่างกันอย่างไรครับคือปัญญากับเจโตนี่หมายถึงคนที่มีความถนัดทางด้านใดด้านหนึ่งคือเจโตนี่เป็นผู้ที่มีความถนัดทางด้านสมาธิคือมีสามารถมีอภิญญาได้เข้าชาญแลว้วก็ เขา้ปาปัจจารสมาธิรังึกชาติได้มีความรู้พิเศษความสามารถพิเศษแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีปัญญาเขาก็ยังต้องมีปัญญาแต่มีปัญญาในระดับธรรมดาธรรมดาเป็นปัญญาที่สามารถเอามาใช้กําจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้ส่วนพวกปัญญาวิมุตตินี้จะเป็นพวกที่มีความรู้คั้ฉลาดทางด้านปัญญามากมีมากกว่าความจําเป็นที่จเจ้ามาใช้กับการ ตัดกิเลสดับความทุกข์ในใจอันนี้ก็เขาก็จะเป็นผู้ที่เวลาบรรลุธรรมแล้ก็จะเป็นพวกที่จะแสะดงธรรมอย่างพระสารีบุตรนี่ท่านเป็นปัญญาไม่หมดท่านไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ชำนาญไม่เก่งทางด้านสมาธิท่านมีสมาธิพอที่จะทับใจให้เป็นอุเบกขาได้แต่ท่านไม่มีอภิญญาท่านไม่มีความสามารถที่จ ะ, ะรักชาติได้แต่ท่านมีปัญญาทางด้านแสดงธรรม ทำง่ยแยกทำชนิดต่างๆให้คนที่ฟังแล้วเขาเข้าใจได้ง่ายก็คือความหมายอย่างนี้ปัญหานี้บางบางคนเก่งทางด้านปัญญาบางคนก็เก่งทางด้านสมาธิแต่ไม่ได้มาเขาว่ามีแต่เพียงแต่สมาธิหรือปัญญาเพียงอย่างเดียวก็มีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาเพื่อที่จะใช้ในการกําจัดกิเลสตัญหาให้หมดไปจากใจแาจจะมีมากเกินเกินกว่าความจําเป็นที่ต้องมีก็ได้ ถ้าเปรียบเทียบทั้งโลกก็คือถ้าเราเห็นด้านภาษาอังกฤษเราสอบได้เต็มร้อยได้สี่จุดแต่ความจริงการที่เราจะผ่านวิชานี้ก็แค่สองจุดเราก็ผ่านได้คนเห็นทางด้านคณิตศาสตร์ได้สี่จุดเนี่แต่ความจริงเขาได้แค่สองจุดเขาก็สามารถผ่านได้อันนี้ก็เหมือนกันสมาธิกับปัญญาก็แบบเดียวกันสนที่ปัญญาที่จะทําให้หนูทุนอยากรับได้ก็แค่สองจุดก็พอ แต่บางคนมีสี่จุดได้สี่จุดทางด้านสมาธิทางด้านปัญญาจิตที่แท้จริงเป็นอย่างไรครับจิตเป็นเป็นธาตุรู้เป็นธาตุ ท, าที่มีความสามารถที่จะรู้อะไรต่างๆได้มีความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์มีความจำได้หมายรู้จำว่าสิ่งนั้นที่เห็นเป็ น, ปนอะไรเป็นใครเป็นต้นเรียกว่าสัญญา แล้วก็มีความสามารถที่จะนึกคิดเรื่องราวต่างๆคิดจะทํามู่นทำนี่แล้วก็มีความสามารถที่จะรับรูปเสียงกิ่นต้นจากร่างกายได้นี่คือท่านรู้ก็คือจิตนี่การสวดมนต์ถ้าสวดแค่บทสวดปกติอรหังสัมมาสวราขาโตสุปฏิปันโนแค่นี้เพียงพอไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการอะไรจากการสวด ถ้าจะสวดแค่นี้ก็พอสําหรับคุณก็พอแต่ถ้าร้างการจะสวดให้จิตสงบ ก, ก, ก็ต้องสวดไปเรื่อยๆจนกว่จกกาจิตจะสงบรอบเดียวไม่จบไม่สงบ ก, ก็สวดรอบที่สองรอบที่สองไม่สงบ ก, ก็สวดไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะรู้สึกสบายสงบแล้วค่อยหยุดเมืนกินข้าวคุณจะกินข้าวสองสามคำก็ได้หรือคุณจะกินไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะอิม่มแล้วค่อยหยุดกินก็ได้ ทำไมพระที่วัดชอบเปลี่ยนบาทใหม่ทั้งที่บาทเดิมยังใหม่อยู่ผิดไหมครับมันก็ไม่มีกฎห้ามเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่สันโดษไม่ินบ้างน้อยสันโดษยังเป็นความโลภยังาชอาบบาตชอบเปลี่ยนของใหม่เรือเหมือนคนที่ชอบเปลี่ยนรถเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยๆความว่าสักพักก็เบือ่อเปลี่ยนใหม่นี่กว่า ไปกราบสักการะพระพุทธรูปที่วัดต่างๆและทําบุญขอบุญเผื่อแผ่ให้แก่ครอบครัวและญาติได้ไหมครับไม่ได้แร้วการกราบพระนี่ไม่ได้บุญมากการปฏิบัติธรรมถึงจะได้บุญการทําบุญทําทานรักษาศีลภาวนานถึงจะได้บุญการกราบพระก็ได้บุญเล็กน้อยเป็นการเป็นเป็นการแสดงความเคารพของเราหม อ, อนนอนน้ำถมต้นของเราเท่านั้นเองแต่บุญของใครของมันไม่สามารถเอาไปแบ่งให้แก่ใครได้ ทุกคนต้องทําเองปลวกขึ้นบ้านกินบ้านเสียหายถ้าฆ่ากังวลว่าจะผิดศีลข้อหนึ่งและถ้าไม่ฆ่าทําอย่างไรดีครับก็ เ, เขามีบริษัทที่กําจัดปลวกให้เขเขาเขาทำบริการทําหน้าที่นี่ให้เพียงแต่ว่าเราจะไปสั่งเขาทั้งนั้นแต่เราสามารถบอกให้เขารูา้ได้ว่าที่บ้านมีปลวกลถ้าเขาอาสาสมัครจะมาทําอันนี้ก็เราก็ไม่บาปนะ แต่ถ้าเราบอกว่าช่วยมาช่วยมากับจัดปลวกที่บ้านให้หน่อยอย่างนี้ก่บาปเพราะสั่งเขาทําก็ดีทําเองก็ดีบาปแต่ถ้าเราไม่ได้สั่งเขาเพิยงแต่รับทราบว่ า, าเรามีปลวกแล้วเขามีการบริการเขายิ่งดีที่จะมาับจัดให้อย่างนี้เราก็ไม่บาปเพราะเราไม่ได้ไปสั่งเขาเวลาไปวัดเอากาแฟนมกล่องไปถวายบ่อยๆมีคนมองว่าเรารักพระ ก็เป็นไปได้เขาจะคิดอะไรก็เรื่องของความคิดของเขาอยู่ที่ความจริงของเราว่าเรารักเขาหรือเปล่าท่านเองเราต้องรู้ตัวเราเองว่าเรารักเขาหรือเปล่าพระอาหารหันต์สามารถกําหนดวันมรณภาพได้จริงไหมครับไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะรู้แบบคร่าวๆก็ได้เพราะว่าอาการสภาพของร่างกายเป็นยังไงนะคงจะอยู่ได้ไม่เกินกี่เดือนกี่ไม่ต้องเป็นพระอรหันก็รู้ได้ คุณหมอนี่ก็รู้ได้ว่าคนไ<อ>ข้คนนี้จะอยู่ได้นานหรือไม่ น, นันมันไม่เกี่ยวกับการเป็นพาราหันหรไม่เป็นพาราหันในการที่กำหนดดูสภาพของร่างกายว่ามันจะอยู่ต่อไปได้หรือไม่อยู่ที่มีวิชาความรู้เข้าใจเรื่องเรื่องเรื่องของร่างกายดีพหรือ่าเป็นอย่างไรทำบุญใส่บาตรถ้าไม่ได้แผ่เมตตาเขาก็จะไม่ได้รับกันเลยใช่ไหมครับ ทำบุญใส่บาตรมันไม่ได้เกี่ยวกับการแผ่เมตตามันทำบุญใส่บาตรสิงที่เราทําได้ก็คืออุทิศบุญซึ่งการมีอุทิศบุญก็เป็นการให้ความเมตตาอย่างหนึ่งเหมือนกันให้ความเมตตาต่อผู้ที่ล่วงล้าไปแล้วถ้าเราอุทิศบุญให้กับคนนั้นคนนี้ที่ตายไปแล้วถ้าเขารอรับอยู่เขาก็จะได้รับบุญแต่ถ้าเขาไม่อุทิศให้เขาเขาก็ไม่ได้รับถ้าเขารออยู่เขาก็รับไปได้เพราะเราไม่ได้อุทิศให้กับเขา ได้ฟังซูมตอบปัญหาธรรมะมาตลอดสามปีพบว่าเรื่องแบบนี้เอาไปคุยกับคนภายนอกให้เข้าใจยากมากแม้กระทั่งคนที่ปฏิบัติธรรมสายอื่นจึงเข้าใจที่พระอาจารย์พูดว่าศาสนาพุทธคือศาสนาของวินโยชนอย่างแท้จริงครับรบกวนถามว่าวัดต่างๆไล่มดด้วยวิธีใดครับที่บ้านเก็บอาหารมิชิตมากแต่มดมาทำรังเกือบทุกห้องในบ้าน พยายามไล่ด้วยสเปรย์สมุนไพรทุกชนิดแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จถ้าอัดน้ายาลงใต้บ้านก็จะฆ่าเยอะเลยครับอันนี้ก็ไม่อยากจะชี้พูดต้องไปติดต่อกับวัดต่างๆหรืเวาอรอาองนก็แล้วกันกามราคะพิจารณาอาสุภะแล้วก็ยังไม่หายครับจะทำอย่างไรดีครับก็ต้องพิจารณาบ่อยๆพิจารณาคนจอมก็จะหาย พ่อมันเป็นวิญญากินยาเ ม, ม็ดเดียวมันอาจจะไม่หายก็ต้องกินต่อไปเรื่อยๆจนกว่ารโรคหายแล้วเราเค่อยหยุดกินแล้วต้องต้องพิจารณาตอนที่เกิดการมาราคะด้วยเช่นพอเราเกิดความเกิดอารมณ์ขึ้นมาเราก็ต้องนึกถึงความไม่สวยงามของร่างกายไปนึกถึงมันบ่อยๆนานๆเข้าเดี๋ยวมันก็การอารมณ์ก็จะหยุดเอง เพื่อนทาบุญและนั่งสมาธิไลน์มาบอกให้อนุโมทนาบุญควรตอบอย่างไรและจะได้รับบุญด้วยไหมครับก็ได้ได้บุญจากการอนุโมทนาคือชื่นชมยินดีกับการทําบุญของเขาถ้าเขาบอกทําบุญแล้วก็สาธุไปก็จบแล้วก็ได้เกิดความรู้สึ ก, กว่ายินดีกับเขาเนื่องเขาเขาได้บุญเราก็ดีใจกับเขาไปเหมือนกับเขาได้ยศได้ตำแหน่งเราก็ยินดีกับเขาไปอย่างนี้ มันก็ทำให้เรามีความสุขบ้างจากการแสดงความยินดีติดว่างครับจะทําอย่างไรครับก็ดีเลยให้อยู่กับความว่างนั่นก็ดีที่สุดอย่าไป ม, มีทรัพย์สมบัติข้าวของเ ง, งินทองอย่ามีน้านยุทธเสริญสุขเต็นที่หมายคาับถ้าถ้าเต็มถ้าจริงจริงมันก็ต้องไม่ไม่ติม ด, ด้านยุทธเสริญสุขถ้ามันเต็มว่างก็ควร อ, อยากจะอยู่กับความว่างเพียง อ, อย่างเดียว ยักไม่อยากจะมีอะไรก็ดีแต่จะได้ไม่ทุกข์มีอะไรก็ต้องทุกกับสิ่งที่มีถ้าไม่มีได้ก็ดีความว่างนี้ไม่เป็นทุกข์เพราะความว่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการขึ้นไม่มีการลงไม่มีการเจิญหรือการเสื่อมคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธอย่างคนต่างชาติเขาไม่เชื่อเรื่องบุญหรือบาปอะไร แต่ทำไมเขาเกิดมาบุญวัฒนนาดีกว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธคนต่างชาติเขาทำบุญเพื่ออะไรถึงได้เกิดมาดีกว่าคนไทยมากเพราะสาเหตุใดครับเพราะเขาเขาก็ทำบุญเนี่ยไม่ใช่ว่าคนเป็นคนไม่ไม่นับถือศาสนาพุทธแล้วเขาไม่ได้ทำบุญเขาก็มีการทำบุญคนบางคนเขามีความเมตตาอยู่ในใจของเขาเขาเห็นใครเดือดร้อนเขาก็อยากจะช่วยเหลือเขาเขาก็ทำบุญได้ไม่ไม่ได้เกี่ยวว่าต้องเป็นศาสนาพุทธเท่านั้นถึงจะได้ทำ รู้สทุกาศาสนาก็สอนให้ทําบุญด้วยกันทั้งนั้นไม่มีาศาสนาใหนที่ที่ห้ามไม่ให้ทําบุญไม่มีวิปัสสนาคือการคิดวิเคราะห์ถึงเหตุแห่งการเกิดและตั้งและดับไปถูกหรือผิดครับวิปัสสนาก็คือการให้เห็นไตรลักษณ์เห็นอริยสัจสี่วิเคราะห์อริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธนับว่าทุกเกิดจากอะไรอะไรเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา นาอะไรที่จะทําให้ความทุกข์ดับไปเรียกว่าวิปัสนาหนูนั่งสมาธิได้ดีขึ้นมากแต่พอไปวิปัสนากลับหลุดสมาธิทําให้ใจฟุง้งจึงกลับมานั่งสมาธิอย่างเดียวหากหนูยังทําวิปัสนาไม่ได้จะทําให้หนูมีปัญญาน้อยไหมครับเราเบื้องต้นนั่งฝึกสมาธิให้ให้ให้มากก่อนเป็นจิตไม่ฟุ้งเวลาเวลาไปพิจารณาทางปัญญา ถ้ายังฟุ้งอยู่แสดงว่าสติเรามีน้อยพอเราพิจารณาปั๊บความฟุ้งก็เกิดขึ้นเลยก็ต้องพยายามทําสมาธิทําสมาธิเจริญสติให้มากไปกว่า น, นี้ก่อนดังนั้นเราสามารถที่จะพิจารณาปัญญาอย่างไม่ฟุ้งได้โดยถ้าพิจารณาไปสักพักมันฟุ้งเราก็ต้องหยุแล้วกลับไปทําสมาธิใหม่สลับไปสลับมาอย่างนี้พระชวนทําบุญบ่อยๆ บ, บางครั้งรู้สึกว่าบ่อยไป แต่ก็ทําค่ะได้บุญไหมครับถ้าทาถ้าทําก็ได้บุญถ้าไม่ทําก็ไม่ได้บุญหลายครั้งทําสมาธิโดยการรับรู้ร่างกายมองกายหายใจแต่พอออกจากสมาธิถึงรู้สึกหนักหัวปวดหัวส่วนมากจะนั่งทําแล้วจบที่หลับไปกับการดูร่างกายแต่ตื่นมาไม่สดชื่นเพราะโฟกัสกดข่มบังคับมากเกินไปหรือเปล่า ควรจะแก้ไขอย่างไรครับก็จิต lean, ม, chocolate. มันไม่สงบ่ะมันก็เลยไม่มีความรู้สึกสดชื่นการนั่งสมาธิเรามันนั่งไม่ถูกการนั่งสมาธิต้องมีอารมณ์เดียวให้จิตเราดูอารมณ์เดียวจะดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวยุ่งเยอะมากครับตบทุกวันจะเป็นอาจินกรรมไหมครับ เป็นนิสัยถ้าทําบ่อยๆมันก็ติดเป็นนิสัยได้พระไปบ้านคารวาสเพื่อบอกให้ร่วมบุญสร้างพระาาศาสานสถานควรหรือไม่ครับมันไม่ได้เป็นหน้าที่ของพระที่จะไปเรื่อไรเงินทองจากญาติศรัทธาญาติโยมนะมันเป็นเรื่องของศรัทธาของญาติโยมมากกว่าถ้าญาติโยมมีศรัทธาอยากจะสร้างศาลาสร้างโบสถ์ก็เป็นเรื่องของเขา แต่พระไม่มีหน้าที่ที่จะไปชวนใะห้คนนั้นคนนี้มาทมําบุญท่านมีหน้าที่สอนเหสอนเรื่การเ ส, รสีสนาแสดงถึงเหตุและผลของการทําบุญว่าเป็นดีอย่างไรแต่ไม่ได้เ จ, จา้าจอมวัดต้องมาทําบุญสร้างโบสถ์ที่วัดนี้นะต้องมาทำแบบนี้อย่างนี้อันนี้ไม่คม่ไม่คนรจะทำไว้ให้เป็นไปตามความศรัทธาของผู้ผู้ที่จะทําจะดีกว่า การลงชื่อบนผ้าห่มพร ะ, พระาธาตุให้ญาติที่ไม่ได้ไปวัดคนไม่ได้ไปวัดหรือไม่ได้ฝากเงินไปได้บุญหรือไม่ครับถ้าไม่ได้ฝากเงินไปก็ไม่ได้บุญต้องฝากเงินไปถึงจะได้บุญผู้ที่ทำบุญหนักสร้างวัดสร้างวิหารแต่ศีลไม่ครบการเกิดชาติหน้าจะทำให้เป็นคนฐานะดีจริงหรือไม่ครับก็้นออย่าเะไปเกิดเป็นอะไรไง คือถ้าทำบุญด้วยทำบาปด้วยแต่ถ้าบาปมากกว่าบุญก็ยังไปไปรับอันนิสงของบุญไม่ได้ต้องไปรับใช้การประกอนคือต้องไปเกิดในอบายก่อนถึงกัาบาปนี้มันนอนกับบุญแล้วบุญเริ่มส่งผลขึ้นมาถึางจะได้รับอั น, นิสง์ของบุญต่อไปถ้ามีคนมาบอกบุญแต่เรายังไม่สะดวกไม่ได้ทําไปบาปไหมครับไม่บาป ไม่ได้บุญนั้นเองเวลายังไม่พร้อมที่จะทําบุญเราก็บอกเขาไปว่ายังไม่พร้อมคิดแต่เรื่องไม่ดีวนๆซ้ําๆครับจะขอวิธีแก้พระอาจารย์ครับหยุดคิดเลยใช้คําบริกไรคพุโทโถคิดพุดโทโถแทนพุโทโถพุโทโถไปเรื่อยๆแนวความคิดต่างๆก็จะหยุดไปตอนนี้คําถามจากทางเฟสและทางหยุด สามารถจะถามมาเพิ่มเติมได้นะครับตอนนี้อาจารย์ตอบในนี้หมดแล้วนะครับคําถามทวิตเตอร์นะครับจะพิจารณาอย่างไรเมื่อเข้าไปในสภาวะว่างแล้วทําให้เกิดปัญญาอย่างไรครับอ๋อใช่ยู่ได้ก็ภาวะว่างนี้ไม่ทําอะไรให้ให้ให้รูงเฉยๆให้สักแต่ว่ารู้ไปเป็นภาวะที่มีความสุขมีความสบายมีความเย็นมีควเบิกขาแต่เนยเรียกว่เป็นความว่างที่แท้จริงอะ เราต้องการให้จิตอยู่ในเช้นมันนานๆเพราะมันทํามันมันไม่มันเป็นมันเป็นความสุขมันเป็นประโยชน์กับจิตใจมันไม่ได้เป็นปัญญาแต่อย่างใดมันไม่ทําให้เราเห็นตายแล้วเลยอริยสัจสี่จาการเข้าสมาธิถ้าเห็นตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องมาตัดสลุ้เลยเพราะทุกคนในสมัยก่อนที่พระเจ้าจะตัดสลุ้ก็เข้าสมาธิกันได้แต่เขาไม่มีปัญญาจากสมาธิ เพจยงแต่วต้องใช้สมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนในการเจริญปัญญาเพราะถ้าจิตไม่มีสมาธิพอเจริญปัญญาจิตก็จะฟุ้งซ่างขึ้นมาได้ฉะังยากจะได้ปัญญาต้องออกจากสมาธิมาเนิ่นศึกษาตายรับศึกษาอริยสัจสีถึงจะได้ปัญญาที่เอามาใช้ในการดับความทุกข์ได้อาจารย์ครับงั้นสมัยพุทธกาลนี้พวกพราหมณ์ที่เป็นอาจารย์ทั้งหลายนี่ก็เป็นพรหมทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับเป็นพรหมเนิน<ๆ> ตอ น, นี่พรเจ้าตอนที่จัดสมมุนไใหม่ๆก็อยากจะไปแสดงธรรมให้กับครูบาอาจารย์สองนู้นแต่ก็ทราบก่าวว่าท่านทั้งสองผู้ตายไปเมื่อสองอาทิตย์ก่อนอีกคนหนึ่งผู้ตายไปมอาทิตย์ที่แล้วทำวหน้าเสียดายเพราะว่าจะท่านจะไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังได้รู้จักอริยสัจ ส, สีที่พระเจ้าได้รทรงตัดสมุนเลยเขาไปเป็นโพมก่อนจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาเาพราะพระเจ้จา ก, ก็อาจจะหมดไปแล้วก็ได้ เขาก็เข้าใจว่าเขานิพพานเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์ไม่หลอกเขารู้เขารู้ว่าเขาท้องเขาได้ความสงบที่ดับความทุกข์ได้ชั่วคราวในขณะเข้าสมาธิในเวลาออกจากสมาธิมาเขารู้ว่าจิตก็ยังมีความทุกข์อยู่เป็นวลาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเวลวเจอความแก่ความเจ็บความตายเขาก็ยังทุกข์อยู่แต่เขาไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรที่ทําให้เขาทุกข์ก็เพียงแต่ใช้สมาธิเป็นที่หลบเท่านั้นเอง หลุดเข้าไปในสมาธิความทุกข์ก็หายไปเขายังไม่ได้ใช้ปัญญา ค, ดคิดค้นว่ามันเกิดจากตัญหาความอยากอยากให้ร่างกายไม่ตายอยากให้ร่างกายอยู่มันก็เลยทําให้เกิดความทุกข์ถ้ารู้ว่าเป็นเหตุว่าเป็นเกิดจากความอยากถ้าเขารับความอยากได้อยอมให้ร่างกายตายไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเขาก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้โดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิ หยุดความอยากไนดะ้ด้วยการยอมตายอะตายก็ตายห้ามกายมันจะตายเราห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนิจจังอนัตตาถ้าเราอยากแล้วมันจะทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยวางหยุดความอยากคนที่มีบุญจะตายแบบไม่เจ็บไม่ปวดได้ไหมครับนอนหลับตายไปเลยถือว่ามีบุญไหมครับแต่ไม่ได้ลาญาตินะครับก็อยู่ที่ทําใจทางของให้เป็นหรือเปล่า เราทำใจใสงบเป็นก็ตายแบบตายแบบสงบถ้าทำใจใไม่สงบก็อาจจะตายแบบเครียดตายแบบหวาดกลัวทำในสติปัฏฐานสี่หมายถึงการฟังธรรมไหมครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องธรรมะที่เราต้องสร้างขึ้นมาในจิตไงเช่นสร้างมรรคแปดขึ้นมาสร้าง อิทิบาทสี่สร้างอะไรนะั้งซึ่งเป็นธรรมที่จะใช้ในการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราทำไมนั่งสมาธิถึงได้บุญครับเพราะได้ความสุขบุญหมายว่าความสุขใจซึ่งได้จากจากการทำทานก็ได้ความสุขใจอย่างร ะ, ร ะ, ระดับหนึ่งถ้ารักษาศีลได้ก็ได้ความสุขใจในระดับอีกระดับหนึ่งถ้าทำใจสงบนิ่ได้ก็ได้ความสุขใจใอีกระดับหนึ่ง ถ้าใช้ปัญญาตัดกิเลสได้ก็ได้ความสุขใจอีกระดับหนึง่งมากขึ้นไปเรื่อยๆทานจะน้อยกว่าศีลศีลจะน้อยกว่าสมาธิสมาธิจะน้อยกว่าปัญญาลูกให้เงินเดือนเรานําเงินไปทําบุญลูกได้รับผลบุญด้วยไหมครับลูกเขาได้ตั้งแต่ตอนที่เขาให้เงินเดือนเราแล้วนจนเราถ้าเราไปทําบุญเราก็ได้ของเราลูกไม่ได้นะเพราะไม่ได้ส่งต่อ แต่นั้นที่สามารถทําให้มีคนได้บุญหลายต่อด้วยกันเช่นลูกใครพ่อพ่อก็ลูกก็ได้บุญแล้วพ่อก็ไปทําบุญกับพระพระก็ได้บุญแล้วพระก็เอาไปทําบุญกับกับกับคนยากไร้พระก็ได้บุญอีกเหมือนกันเงินก้อนเดียวกันนะครับบ้านเดียวกันแต่สามารถทําให้เกิดบุญกับบุคคลหลายบุคคลได้ เลี้ยงไก่เพื่อขายไข่ทำยังไงไม่ให้บาปครับถ้าเป็นไข่ที่ไม่ไม่ฟักไม่มีตัวก็ไม่บาปต้องต้องรู้จักแยกว่าไข่อนะไรที่มีตัวถ้ามีตัวก็แสดงว่าถ้าเราไปขายมันก็เหมืายถองไปฆ่าเขาให้คนเราไปกินเนะี่ยรู้สึกเขามีไข่สองชนิดใช่ไข่แบบที่ฟักได้กับไข่ที่เขาไม่ฟักไม่ได้เท่าที่เคยได้ยินมาครับผมก็ ผมก็เข้าใจว่าอย่างนั้นกับแพทย์ครับตอนนั่งสมาธิหัวส่ายตลอดเวลาควรจะแก้อย่างไรครับสติเด่นแล้วมีไม่มากพอเราควรจะให้กําบริกรรมไปก่อนหรือส่วนมันไปก่อนอย่านั่งเฉยๆมีอาการที่ไม่อยากเจอหน้าใครไม่อยากคลุกคลีบริโภคกับใครแม้กระทั่งคนในครอบครัวญาติพี่น้อง เป็นเพราะกิเลส ข, ของเราหรือว้วิบากกรรมของเราควรวางใจอย่างไรครับเป็นกิเลสเป็นวิภาวะตัณหาไม่อยากจะเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่อยากจะเจอคนนั้นคนนี้เราก็ต้องใช้ใช้ปัญญาสอนใจว่าเมื่อเราต้องเจอคนก็ต้องช้อัธา ห, หันอยู่กับคนให้ได้เพราะเรายังเป็นคนที่อยู่คนเดียวไม่ได้นอกจากว่าถ้าเราไปอยู่คนเดียวก็ลาไป บ้านอยู่ใกล้วัดเวลาได้ยินเขาแห่หน้าก็จะเข้าร่วมแห่และตั้งจิตอนุโมทนาบุญอยู่รอจนบวชเสร็จเป็นพระได้บุญไหมครับก็ได้อนุโมทนาบุญที่เกิดจากอนุโมทนา ว, เ, า เ, วาเวลาใครเขาจัดงานเราก็ไปร่วมงานกับเขาเราก็ได้บุญตอนนี้แต่เราไม่ได้บุญจากการที่เราเสียเงินเสียทางใช้ไปกับการจัดงานจัดงานนี้เราไม่ได้เพราะเราไม่ได้เสียเงินเสียทางแต่อย่างใด นมุนกระชัเด็ดกันทําจิตใจให้เข้มแข็งหนักแน่นอย่างไรให้อารมณ์นิ่งไม่วอกแวกง่ายๆเพราะเคยทําสมาธิสักพักจะมีเรื่องร้อยแปสิ่งเข้ามาให้คิดตลอดไม่อยากจะคิดแต่ความคิดก็ผุดขึ้นมาทุกครั้งพยายามห้ามไม่คิดก็ยิ่งคิดครับต้องพยายามสร้างสติขึ้นมาถ้ามี ส, ามสติแล้วก็จะก็จะหยุดคามคิดได้กวาริการพุโทโธพุโทโธไปเลยทั้งวันเลย ไม่ไม่ว่าเราจะทำอะไรถ้าไม่ต้องใช้ความคิดเราก็พูดโธพทโธไปคอยสกัดกั้นความคิดเราไปความคิดก็จะโผล่ขึ้นมายากเวลาโผล่ขึ้นมาเราก็ใช้คำาบกรมเห่นมันได้บอกเพื่อนว่าสิ่งที่ดีและไม่ดีและอะไรที่เกิดขึ้นกับเราไม่ควรมองที่อื่นแต่ควรมองมาที่ตัวเราเองอย่างนี้ถูกต้องไหมครับไม่ทราบว่าเราต้องไปบอกเขาทาไม ท่านก็ต้องการให้เราบอกแล้วก็บอกเขาถ้านก็ไม่ต้องการให้เราบอกเขไม่ไม่ไม่เห็นว่าจาเป็นจะต้องไปบอกเขาถ้าบอกเขาเราก็ต้องรู้ว่ามันถูกหรือไม่ถูกถ้าเราไม่รู้ว่ามันถูกก็อย่าไปบอกเขาว่ามีคนถามเรื่องพระพุทธเจ้าห้าพระองค์พระอาจารย์จะอธิบายไหมก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ย ม, มีบางตัสรู้นองแสดงธรรมอยู่เรื่อยๆนี มีหพระองค์ในพระพุทธเจ้ามีเป็นหนึ่งในพระองค์หนึ่งในห้าพระเจ้าสามารถรัดสินชาติได้แล้วย้อนกลับไปดูอดีตได้ว่ามีพระพุทธเจ้าที่มาตัดสินก่อนพระพุทธเจ้าสามรูปด้วยกันครับนอกจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่องค์ที่ห้ามาตัดสรนหทั้งจากที่ศาสนาของพระเจ้าหมดไปแล้วก็ยังมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตัดสินเป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระอริยเสียริยเมตไต เราควรวางใจอย่างไรกับการทํากระเป๋าและโทรศัพท์หายครับตอนนี้ยังปรองไม่ได้เลยครับก็ต้องปรอง น, นีจังมันไป่เข่าไม่เที่ยงมีมามีไปมีเกิดมดีดับห้ามมันไม่ได้เวลามันจะไปก็ห้ามมันไม่ได้ปล่อยให้มันไปแล้วก็จะหายทุกถ้าอยากจะให้มันกลับมาอยู่ก็จะทุกไปเรื่อยๆลูก ป, ป่วยครับเป็นป่วยทั้งจิตบางครั้งเนี่ยทาให้แม่มีความทุกข์แม่จะทําใจอย่างไรครับ แม่ก็ต้องแยกตัวเองออกจากลูกเลยเรื่องของลูกก็เป็นเรื่องของลูกเราช่วยเหลืออะไรได้ก็ช่วยเหลือเข้าไปแต่อย่าประหยากให้มันให้ใหญ่ปอยากให้ลูกหายหเรื่อดีถ้ามันรักษาไม่ได้ก็ต้องยอมรับกับสภาพความเป็นจริงของลูกไปการนั่งสมาธิแล้วดูลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆถือเป็นการมีสติอยู่กับลมหายใจด้วยไหมครับ ตอนนั่งสมาธิก็ต้องรู้รมหายใจให้ดูลมหายใจก็แสดงว่าเรากำลังนั่งสมาธิอยู่ให้มีดูอย่างต่อเนื่องไห่เพอไม่พลาดให้รู้ว่าทุกขณะว่าลมเข้าหรือลมออกถ้ า, ถ, าถ้าดูไปเรื่อยๆก็จะมีสติที่จะัำใจให้สงบเข้าสมาธิได้มีคําถามจากครับผมเป็นโรคซึมเศร้าครับไม่มีความสุขเลยจะทําอย่างไรดีครับ ฝึกสมาธิไปฝึกสติไปทำใจให้สงบแล้วพอจิตสงบแล้วจิตก็จะมีความสุขเกิดขึ้นมาทําบุญอย่างไรถึงจะหายป่วยได้ครับอยามาเกิดเนี่ยทําบุญแบบไม่เกิดถ้าไม่เกิดแล้วก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายทำมาแต่ถ้าเป็นก็ต้องทําใจรักษาได้ก็รักษาไปหายก็หายหายไม่ได้ก็ต้องยอมยูยอมกับมันไปเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน ถ้าอยากจะให้มันหาแล้วันไม่หามันก็จะทําให้เอาทุกข์ทางใจด้วยทุกข์ทางใจเราสามารถดับได้ด้วยการยอมรับความจริงของทุกข์ทางร่างกายณเวลานี้มีจิตดวงใหม่ที่เกิดเป็นชาติแรกไหมครับแล้วจะเกิดเป็นอะไรในเมื่อไม่เคยมีกรรมใดๆมาก่อนเป็นเรื่องอาจินไตไหมครับคงจะเป็นอย่างนั้นนะอย่าไปคิดให้เสียเวลาเล ย, ม, ม, ย, ล ม, ม, ม, ยมันมีใหม่ก็ไม่มีใหม่มันก็ไม่ม า, มาเปลี่ยนแปลง ทุกข์สุขความสุขของเราที่เรามีอยู่ในขณะนี้ผู้ปฏิบัติแบบฤาษีติดอะไรถึงไม่สามารถบรรลุธรรมได้ครับก็ไม่ทราบฤาษีก็ปฏิบัติกันแบบไห น, นมีฤาษีหลายชนิดด้วยกันดนเราต้องไปศึกษาดูว่าเขาเขาปฏิบัติอะไรกันบางพวกก็ใช้การท ร, รมานร่างกายของตนเองทึ่พระเจ้าจบอกก็ไม่ใช่เป็นวิธีการดับความทุกข์ได้ แล้วก่อนมีเนื้อสีที่เขาประดระระแบบัติแตกบางคนก็นอนตากนั่งบูชาผาทิ์นี้พรุ่งนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของลูกครับกลัขบขอพรจากพระอาจารย์ครับขอยาให้ไดกลับมันเกิดเองเลยขอให้ว อ, อ, อนเกิดนี้เป็นพบสุดท้ายชาติสุดท้ายเถอ การอธิษฐานว่าชาติหน้าขอให้ได้บวชได้เจอพระพุทธศาสนาอีกไม่แน่นอนเสมอไปใช่ไหมครับกําหนดไม่ได้อาจจะเกิดมาโยกที่ไม่มีศาสนาพุทธอีกเลยก็ได้ถูกต้องหรือไม่ครับถูกต้องนะทาไมไม่กําหนดทั้งชาตินี้นะชาตินี้ก็มีพระพุทธศาสนาแล้วเแล้วเราก็สามารถบวชได้แล้วเราจะไปจะไปขออะไรทุงหน้าไปทําไมในเมื่อเราสามารถขอได้ในปัจจุบันนี้นะ เราสามารถอธิบายหลักเหตุผลใดทําให้คนไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไม่มีจริงได้มีความเชื่อความเข้าใจมากขึ้นครับถ้าคนไม่รู้ก็ไม่รู้อับคุณต้องปฏิบัติถึงคนถึงจะรู้ถ้าไม่รู้ก็อย่าไปพยายามสอนคนอื่นเขาเลยคําว่าตรัสรู้ใช้กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นหรือเปล่าครับส่วนคําว่านิพานเป็นความหมายเดียวกันหรือเปล่าครับคือมีความหมายต่างกัน เร า, าตัดใรู้ว่าคือพระพุทธเจ้าส่งเรียนรู้ความรู้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนก็คืออริยสัจสี่ตายรักนี่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้มาก่อนแตย่ยรักอาจจะรู้แค่อ น, นิจารู้แต่รู้แค่ทุกข์แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นอนัตตาด้วยเราไม่มีใครรู้ว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากในการยีสามให้ทุกข์ใจห้ไปนี้ต้องหยุดความอยากให้ได้ด้วยการยีลานสติสมาธิและปัญญาอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ส่งค้นพบ แล้วตัดสั่งได้เรียนรู้จนคำว่า น, นิพานนี้ไปว่าจิต ท, ที่สงบที่ปราศจากกิเลสตัณหาจิต ท, ที่บริสุทธิ์จิตที่ไม่ปไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอาจารย์ครับอยากเดินจงกรมเพื่อฝึกสติให้อยู่กับตัวจะต้องทํำยังไงครับก็เดินได้เลยเดินต้องให้ดูเท้าเอินไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ แล้วก็สายตาเราก็าพยายามทอดออกไปข้างหน้าอย่างมองซ้ายมองขวาให้อยู่กับการเดินให้มีสติอยู่กับการเดินคําถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับถ้าเราภาวนาด้วยการท่องพุโทโธจะถือว่าเรากําลังเพ่งและบังคับจิตไหมครับก็เป็นการเพ่งเป็นการควบคุมไม่ให้จิตคิดแต่แต่ว่า เป็นสิ่งที่เราจะต้องทําเพื่อฝึกฝนใช่ไหมครับใช่เราต้องเพง่งเราต้องควบคุมจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อจะได้ไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยไม่คิดแล้วจิตก็จะได้สงบเป็นสมาธิขึ้นมาขอบคุการกิจารณาครับวันนี้มีเพื่อนๆนฟังธรรมอยู่ในเฟซห้าร้อยห้าสิบแปดในยูหกร้อยห้าสิบสี่ในครับเก้าในติ๊กต็อกห้าร้อยหกสิบหกครับวันนี้รวมฟังธรรมด้วยกันหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดคนครับ เริ่มอ่านคำถามแรกเวลายี่สิบในการเจ็ดนาทีวันนี้พระอาจารย์ตอบไปหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดคำถามครับผ ม, มก็ชื่นชมยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาเริ่มฟังสนทนาธรรมกันหวังว่าคงจะได้ประโยชน์มากไม่มากก็น้อยน่านำเอาอไปใช้ในการปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นต่อไปการสนทนาธรรมสำหรับคืนนี้ข้า ค, คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพพิจารณาและไปปฏิบัติ โพืความสุขควมเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุก็ต้องขอลาคุณบอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุขัดข้อวันใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าขอเจริญพรกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ